u d d h a m m a r a n a m gacchā. u d d h a m m a r a n a m g a c c h a u d d h a m m a r a n a m gacchā. d h a m m a m s a r a n a m gacchā. สวดกันบ่อยไม่เกี่ยวกับคนตายหรือไม่ตายก็ได้ห้าแล้วใช่ไหมเล็กหนึ่งกับใหญ่สี่ใช่ไหมกลางเท่าไย กลางจริงๆมี4ี่ใช่ไหมอัญญามัญญะสมบูญวิปากะและสาชาตะเวทอัญญมัญญะปัจโยสัมบูญตะปัจโยนี่ได้ได้สองใช่ไหมส่วนวิปยุทธกับวิบากไม่ได้เพราะอยู่ในไหนกามุปาทานอยู่ในไหนอยู่ในโลภะกามโลกามุปาทานนี่อยู่ในโลภะใช่ไหมฉะนั้นโลภะนี่เป็นกุศลแจิตหรืออกุศลแจิต เป็นากุศลจิตไม่ใช่กุศลลจิตไม่ใช่วิบากจิตใช่ไหมจึงไม่ได้วิปากับปัจจัยแล้วก็ไม่เป็นวิประยุทธ์ด้วยฉะนั้นจึงได้แค่สรุปก็คือเจ็ดปัจจัยจริงๆริงใช่ไหมกามุปาทานเป็นปัจจัยช่วยประการละแก่แก่อะไรแก่กรรมโมโหต่อมาทิฏฐุปาทานศีระพตุปาทานอัตวาทุปาทานทิฏฐุปาทานคือทิฏฐิศีระพตุปาทานก็คือทิฏฐิอัตวาทุปาทานก็คือทิฏฐิ ต่างกันไหมทิฏฐิสามตระกูลเนี่ยต่างกันโดยสภาพความยึดถือแต่ตัวทิฏฐินั่นแหละทิฏฐิมีทั้งเยอะทิฏฐุทิฏฐุประธานมีทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าแยกโดยพิสดารแยกเลยทิฏฐิหกบสองใช่ไหมแล้วก็มีพวกนียตานียตาทิฏฐิพวกอเยตุกาทิฏฐิอกคคียาทิฏฐิแล้วก็นากธิกาทิฏฐิเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นหกสห้าแล้วใช่ไหมแล้วก็ยังมีทิฏฐิอะไรกันอะไรนะ เอออันตรกาพิัาคิดทิฏิอีกสิบใช่มหมสิบบวกเท่าไรเป็นเจ็ดสิบห้าแล้วเห็นไหมนั่นคือทิฏฐปาทานส่วนศรีรพตุปาทานและอัตวาทุปาทานก็คือทิฏฐิไม่อาการของทิฏฐิเป็นใบต่างๆกันนะแล้วพวกเรามีทิฏฐิอะไรบ้างก็จะไปแยกๆดูเอ้ยมีถึงขนาดทุกทิฏฐิตั้งนั้นไม่ใช่เวนัยศัตร์แล้วเนอะไม่ใช่เวนัยชนแล้วไม่มีวินัยแล้วนะพวกเนี้ ถ้าหากมีทิฏฐิทั้งหมดนี่ยุ่งเลยไม่ไมีไม่ใช่เวนายาชนอย่างพวกเนี่ยถ้าพวกอะ<น>พวกพวกอหิยะุกาทิฏฐิพวกนาตถิกาทิฏฐิพวกอกคริยะทิฏฐิพวกนี้สอนไม่ได้แล้วเนะี่ยพวกนี้<ว>นเอาไม่ได้พวกนี้แน่นอนลงอบายภูมิโดยส่วนเดียวก็ เ, เรียกนิยตามิจฉาทิฏฐิก็แปลว่าถ้าหลังจุตติแล้วหลังจุตติแล้วเรียบร้อยเลยเนี่ยถ้าหากอย่างนี้นะ ก็จะเห็นว่าทิฏฐุปาทานศีรปรตุปาทานและอัตวาทุปาทานเนี่ยกลุ่มทิฏฐีทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทิฏฐีทั้งหลายเนี่ยอาการทิฏฐีบางอย่างเนี่ยหมดสิแต่แต่เป็นแต่ในกรณีที่บอกว่าเป็นปัจจัยเชื้อปกาละแก่กรรมภาเะว่าที่ประกอบกันกับตนเนี่ยอำนาจปัจจัยเจ็ดที่เหมือนกันคําว่าอํานาจปัจจัยเจ็ดที่ทิฏฐีเป็นปัจจัยแก่เจตนาเนี่ยโอ้โหเป็นไปในเรื่องไม่ดีไม่งามทั้งนั้นนะเนี่ย อยกตัวอย่างเช่นกลุ่มผู้มีอัตวาทุปาทานอย่างอย่างพวกยังพวกเรามีไหมอัตวาทุปาทาน mm hmm. เห็นไหมพวกนี้เขาเรียกอัตตาทิฐิเรียกอีกอย่างก็คือสักกายทิฏฐิส mm hmm. ักกายทิฐิมีทั้งหมดเท่าไหร่ห้าคูณเท่าไหร mm hmm. ห้าคูณอาการย mm ี่สี่ห้าคูณอาการสี่ยี่สิบเนี่ยมีครบทั้งยี่สิบไหมมีนะแต่ยี่สิบหลายชั้นได้ไมั้ยยี่สิบหลายชั้นนนะ่ยนี่คือคือลักษณะของ สำคัญผิดหมดใช่ไหมสำคัญดินก็ผิดสำคัญน้ําสำคัญไฟสำคัญลมผิดพลาดหมดแล้วสรุปคือสำคัญรูป28่ิบแปดผิ ด, หดไหมเห็สำคัญเวทนาผิดทุกกองด้วยเนี่ยเวทนาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวปานีดไกลและใกล้เนี่ยสำคัญผิดด้วยอำนาจของสักยญาติทิฐิอัตตาทิฏฐิหรืออัตวาทุ ป, ปาทานอันนี้เป็นอย่างนี้นี่คือกลุ่มที่สำคัญผิด ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มไหนกลุ่มและลักษณะของสัญญาสังขารและวิญญาณกันในญยะเดียวกันรูปเหมือนกันมันไม่ใช่สาคัญผิดเฉพาะแต่รูปประคันที่เป็นในปัจจุบันนี้เท่านั้นนะรูปขระคันที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเร็วประณีตใกลใกล้เนี่ยสำคัญผิดหมดเลยนะนั้นทั้งสิบเอดกองเนี่ยนะถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้แต่ในปัจจุบันนี่ถามว่า วังกลุ่มจะชาําร่าขันปัจจุบันอย่างเดียวนะคือจะบริสุทธิ์ในขันปัจจุบันอย่างเดียวแต่ไม่เคยไม่เคยที่จะล่ความมาลัยอวรนขันในอดีตแล้วคือถ้าน้อมอดีตที่ไรก็จะน้อมเดิมหน้าของตันหามานาทิฐิอยู่เลยน้อมมนาคตก็จะเป็นไปเดิมหน้าของตันหามานาไรทิถีทถ่าในสองกลุ่มนี้จะไม่ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกําหนัดขันที่เป็นไปในปัจจุบันนะ โลเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นไปในปัจจุบันในลักษณะอย่างนี้เขาจึงบอกว่าการมุปไอทิฏฐุปาทานศีระปตุปาทานและอัตวาธุปาทานเป็นปัจจัยช่วยประการ ล, ละเกี่กรรมราคที่เกิดพร้อมกันกันกบตนนั้นน่ะถ้าตรงนี้มรรคปัจจัยจะมาไหมตัวทิฏฐิเป็นเป็นมรรคอะไรเป็นมิฉามรรคใช่ไหมตัวนี้เป็นมรรคปัจจัยแปลว่ามรรคเนี่ยเป็นตัวนําอะไรเนี่ยมรรคปัจจัยเนี่ยเป็นตัวนําไปไหน มิฉาม a r k นี่ยนำไปสู่เป็นเหตุที่นำไปสู่อบายทุคติวินิบาตานรกใช่ไหมพอเป็นเหตุที่นำไปสู่อบายทุคติวินิบาตานรกแล้วเนี่ยมีอะไรเกิดร่วมอะสาชาตาสาชาต า, าสาชาตานิสยสาชาตัดทีสาชาตาวิกตต์เหนียวแน่นมากเป็นอนญัญญาบรรย่โดยเป็นสัมพยุทธ์ด้วยเจ็ดไหมฉะนั้นปัจจัยเหล่านั้นส่งเสริมอะไรส่งเสริมความเห็นผิดปัจจัยเหล่านั้นส่งเสริมความเห็นผิดเพราะในที่นี้ยก มรคผัปัจจัยเป็นประธานเนอะคือเขาเป็นปัจจัยเล็กก็จริงนะแต่มรคปัจจัยอยู่ในฐานหน้เป็นประธานนะฉะนั้นในกรณีที่เขาจะนําไปสู่อบายทุกติวินิบาตนารกนี่นะตัวส่งเสริมเขาสนับสนุนด้วยอํานาจของสาชาติชาติเนี่ยเขาแปลว่ากลุ่มที่สนับสนุนเนี่ยบอกโอ้โหเหนียวแน่นมากไม่แปลกใจใช่ไหมว่าทําไมสัตว์โลกจริงละ ทิฏฐุปาทานศีระพตุปาทานและอัตวาทุปาทานได้ยากจริงๆอย่าโมเห็นไหมว่ายากจริงๆใช่ไหมเหนียวแน่นมากเพราะกลุ่มปัจจัยเหล่านี้นี่แหละที่ช่วยประกอบแล้วก็ประคับประคองให้วิธีคิดของสัตว์โลกนะั้นเหนียวแน่นอยู่ในสังสารวัตรออกจากสังสารวัตรไม่ได้ไม่น้อมจิตที่จะคิดออกจากสังสารวัตรถ้าจะคิดออกก็คิดถูกหรือคิดผิดก็จะคิดผิด พอมีมิจฉาทิถีเป็นตัวนําเป็นมีมิจฉาทิถีเป็นมรคเป็นตัวนําทางใช่ไหมเป็นตัวนําทางนี่เป็นอย่างนี้นะนั้นคำว่ามรคะตัวนั้นเน่ยนะเป็นเหตุเนี่ยที่นําไปสู่อบายทุกขติวิบาักันรกทีนี้ถ้าเป็นเหตุที่นําไปสู่สุขติก็ได้เป็นเหตุที่นําไปไปไปถึงพระนิพพานก็ได้ใช่ไหมลักษณะนั้นท่านจึงกล่าวมรคโดยฐานะเป็นเหตุมรคโดยฐานะเป็นเหตุ ไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมท่านครับว่าทิฏฐิเป็นมรรคได้แต่เป็นมรรคข้าปจัยไม่ใช่เป็นอาริยมรรคไม่ใช่เป็นสมัมมามรรคส่วนอุปาทานสีเป็นปัจจัยช่วยประกาและแก่กรรมว่าที่เกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นไอ้ตรงนี้กลุ่มอะไรกลุ่มอนันตระให้สังเกตดูนะให้สังเกตดูนะว่าถ้าดูการส่งข้อปัจจัยในยมศรีจ ส, สังเกตดูว่าในข้อแรกนั้นะตัณหาเป็นเหตุ ใช่เป็นเหตุเป็นมูลเป็นรากเงาของอากุศลและรมอกุศ ล, ลมูลใช่ไหมเป็นรากเงาแล้วก็มีกลุ่มสนับสนุนทําให้ตนเองนั้นเกิดความยึดในทางด้านของความยินดีความพอใจนะยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสเขาบอกว่าสัตว์โลกเนี่ยที่ออกจากสังสารวัฏไม่ได้เพราะชื่นชมอะไรไหมในพระไตรปิฎกท่านบอกว่า สัตว์โลกนั้นถ้าจะชื่นชมก็ชื่นชมอะไรชื่นชมตาชื่นชมหูชื่นชมจมูกชื่นชมลิ้นชื่นชมกายและชื่นชมใจถ้าจะยึดถือด้วยตัณหาก็ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าว่ายึดถือจะตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเมื่อยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะสัตว์โลกไปยึดถือรูปท่านหรือท่านสัตว์โลกไปยึดถือรูปเนี่ยในขณะนั้นชื่อว่ายึดถือตาแล้ว ทำกรรมที่ปรารถนาตาทันทีแล้วฉะนั้นกามมูปลาทานเนี่ยความความยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็คือยึดมั่นถือมั่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจถามว่าสีเนี่ยที่จะมีได้เนะี่ยเพราะจะต้องมีตาถึงจะมองเห็นใช่ไหมัสดงว่จะต้องเกี่ยวข้องกันกันกบทวารเหล่านี้เป็นต้นนั่นเอง<ม>นี่เป็นอย่างนี้เราจะเห็นปัจจัยที่สนับสนุนเกื้อห น, นุนไม่ใช่แค่ในกลุ่มส า, าชาตชาติเท่านั้นใช่ไหมถ้าไมาในกลุ่มมาดูในกลุ่มของ อนันตระชาติเช่นการอุปาทานทั้งสี่อุปาทานทั้งสี่ก็มีอะไรมีกามูปาทานทิฏฐปาทานศีลปตุปาทานอัตวาทุปาทานที่เป็นไปในลักษณะอาการสี่อย่างเนี่ยนะคือสรุปคือโลภะกับทิฏฐิที่เข้าถึงชั้นของการเป็นอุปาทานเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดเจตนาที่เกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นในชาวนาที่ว่าไปเมื่อวานเนี่ยนะการเกิดขึ้นของเขาเนี่ยในกลุ่มอนั น, นต ร, ประปัจจัยจะมาเลยสังเกตดูไว่า การที่เขาเกิดขึ้นติดต่อกันในชวนะเนี่ยนะเช่นในอกุศลชาวนะเกิดขึ้นในโลภะชวนะเกิดขึ้ น, น, นเนี่ยนะถามว่าชวนะดวงที่หนึ่งทิฐิทิฐิและโลภะด้วยจริงๆต้องบอกโลภะด้วยใช่ไหมโลภะเจสิกกับทิฐิเจสิกใช่ไหมต้องพูดอย่างนั้นไหมสองตัวใช่ไหมโลภะกับทิฐินะนั่นแหละโลภะกับทิฐิในโลภะกับทิฐินั่นนะนะเนะขาบอกว่า ตัวโลพาและทิฐิในหน้าสี่สิบในในใ น, ในเอกสารเนี่ยโลพาและทิฐิแต่ไม่ได้เอาเจตนาในนั้นในโลพาชาวนาดงที่หนึ่งไม่ใช่โลเ อ, อไม่ใช่เอาเจตเอาเป็นปัจจัยนะเป็นอนันตระปัจจัยแก่เจตนาอากุศลเจตนาที่ในชวนะดงที่สองลักษณะเถท่าว่าเป็นอนันตระปัจจัยใช่ไหมบอกว่าโลพากับทิฐิ ที่ในชาวนาดวงที่หนึ่งเป็นอนันตระปัจจัยส่วนเจตน า, าที่ในโลภะชวนะดวงที่ 2, ans. ที่สองเจนาเจศที่ในโลภะชาวนะดวงที่สองเป็นอนันตระปัจจยุบันเห็นไหมว่าเป็นอนันตระปัจจัยเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นเป็นสมนันตระปัจจัยเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นทีเดียวเขาลำดับเลยว่าเขาจะต้องเป็นปัจจัยกับเจตนาได้ใช่ไหมทิฏฐิกับโลภะเนี่ย แล้วก็เป็นอนันตรูปนิสยะเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นแล้วมีกำลังไหมมีกำลังนึ่สามารถทำให้ทิฏฐิเป็นไปได้ทำให้ทให้เจตนาเป็นไปได้ในชวนาดวงที่สองเป็นต้นเน่ยเป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยเป็นเป็นอะไรอีกอเสวนะปัจจัยเป็นนัตถีปัจจัยและเป็นวิคตาปัจจัยได้หกปัจจัยเลยใช่ไหม ให้สังเกตดูว่าในกรณีที่เขามาอุปการะทิฏฐิกโลภะอุปการะเจตนาโดยการเกิดขึ้นติดต่อกันเนี่ยเขาอุปการะอย่างนั้นเป็นกรรมไหมละ่ะเป็นเหนือและเป็นกรรมที่แรงด้วยเนี่ยเนี่ย อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเริ่มตั้งแต่เป็นอุปอปราภระเวทียกรรมเป็นอุปชาวเวทียกรรมเป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเนี่ย ในขณะที่เขายังไม่ได้เป็นอนันตรปัจจัยให้กับเจตนาเขาเป็นอะไรเป็นทิฏฐาธรรมเวทนากรรมได้ใช่ไหมถึงแม้ไม่ได้อุปการะโดยความเป็นอนันตรปัจจัยแต่ว่าถ้าทิฏฐิกับโลภะอุปการะโดยเป็นสาชาชาติในชาวนะดวงที่หนึ่งเพราะชาวนะดวงที่หนึ่งไม่ได้รับอาเซวนะปัจจัยจากชาวนาดวงตดวงที่ดวงที่เกิดก่อนใช่ไ เพราะชาวนะดวงที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้มีชาวนะเก่อเกิดต่อจากตนเนี่ยจิตที่เกิดต่อจากชาวนะก่อนชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นเป็นอะไรเป็นอาวชนะเป็นชาติกิริยาใช่ไหมเมื่อเป็นชาติกิริยาเนี่ยชาวนะดวงแรกไม่ได้รับอาเสวนปะปัจจัยจากชาวนะดวงก่อนก็เลยมีกําลังน้อยหรือมากน้อยต้องจัดว่าน้อยเพราะสามารถส่งผลได้ในปัจจุบันนพบแต่ถ้าเจตนาที่ได้รับอุปการะแล้วสิใช่ไหม เจตนาที่เป็นกรร ม, มะวะเนี่ยนะถ้าได้รับอุปการะจากชาวนาดวงก่อนๆแล้วที่โอ้โหจะเป็นกรรมที่เป็นอั ป, ปราระทันทีเลยให้ผลตั้งแต่พบที่สามเป็นต้นไปทันทีมองเห็นหั้มว่าการอุปการะโดยโดยความเป็นอนันตระชาติเนี่ยมันมีผลจริงๆงนะมันมีผลแรงด้วยใช่ไมมใช่นี่เป็นอย่างนี้แต่ถ้าอุปชาดวงสุดท้ายอะดวงสุดท้ายมีโลภ กอาทิฐิเป็นต้นเป็นอนันต ร, ประปัจจัยให้แต่ตนเองไม่สามารถมองเห็นไม่ยอมหมูเริ่มเห็นแล้วนะถ้ามันไม่เห็นเดี๋ยวมันค่อยๆมืดมืดๆนะถ้ามองเห็นมันไม่ค่อยมืดนี่เป็นอย่างนี้ถ้ามองเห็นไม่ค่อยมืดทีนี้กรร ม, มภวะนี่นะคือตัวเจตเจตนาในลักษณะอย่างนี้บอกว่าเป็นกรร ม, มภาวะนี่อยู่ในฐานะเป็นปัจจุบัน ส่วอุปาทานอยู่ในฐานะเป็นปัจจัยเนี่ยนะก็แย ก, แยกแยกกันให้ถูกอัปการต่อมาอีกข้อหนึ่งอุปาทานทั้ง4เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการละแก่กรรมพระววาและอุปติพะววะาที่ไม่ได้เกิดพร้อมกันกันกบตนหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายนะ เ, น, เ น, นีเว้นใครเว้นพระทหารเว้นพระทหารก็แปลว่าบุคคลเจเว้นพระทหารออกไปนะการกระทําต่างๆเป็นบุญเป็นบาปไหม เป็หรือไม่เป็นเป็นถ้าผ่หักฐานไม่เป็นบุญเป็นบาปใช่ไหมถ้าเว้นพผ่าหลักฐานออกไปแล้วนอกนั้นการการะทําเป็นบุญและเป็นบาปนี่ยหมดแต่บาปของพระสสดาบันกับบาปของคนที่ยังไม่ได้เป็นพระสสดาบันหนูต่างกันริบโลกเลยเนะี่ยให้ไปโกรธเนี่ยนะโกรธเหมือนกันเนี่ยโหต่างกันมากอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นกับกระแสจิตอย่างเรา เ, ราเราทั้งหลายเนี่ยมียบายภูมิเป็นผลใช่ไม้มน่าหวาดเสียวจริง เดินจะตกเหวกันอยู่แล้วยังหัวยิ้มกันอยู่เนอะเขาบอกเขาค่อยๆก่อหน้าผาไอ้ข้างล่างก็เป็นเหวอ่ะแต่ยังหัวเราะชอบใจอะหัวเราะชอบใจนี่าจะตกเหวกันอยู่แล้วแ้าสมศัทดิฟังหงอเนี่ยจะตกเหวอยู่แล้วแต่หัวเราะชอบใจใช่ไหมมันจะตกเหวกันอยู่แล้วโอ้ยยังชื่นใจสนุกสนานร่าเริงจัดงานเลี้ยงสังสรรค์โอ้ยดีออกดีใจมันจะตกเหวกันอยู่แล้วน่าว่าเสียวนอะ ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยไม่รู้จะเปลี่ยบเปลอยยังไงเขาบอกว่าถ้ายิงไปเจอในชั้นของอัจฉริะเนี่ยถ้าดูในสั่งยศนิการนิทานวักเนเออจะบอกว่าปุถุชนนี่โง่ตลอดเลยนะคืองั้นไปดูเนี่ยท่านท่านท่านพูดตรงตรงของท่านเลยนีท่านว่าโอ้โง่มากปุถุชนเนี่ยว่างั้นท่านบอกว่าโง่จริงๆว่างั้นปุถุชนเนี่ยใ น, น, นบรรดาปุถุชนเนี่ยโง่าสาคัญอะไรวิจิตรผิดพลาดหมดล ขณะท่านพูดอย่างนั้นนะท่านพูดมาตั้งแต่เป็นพันพันปีใช่ไหมเป็นพันพันปีมาแล้วท่านพูดว่าเราโง่เนี่ยเราไม่อ่านจะไปอ่านเจอโกรธท่านถ้าก็อีกางบางคนนะเ้ยมองอะไรนิดหน่อยเหรว่าเราโง่ไปโกรธซะอีกไปลาลาบละ ล, ะลวงท่านภูมดมีคุณธรรมสูงซะอีกแล้วไจริงคําว่าโง่คือว่าพันนั่นแหละนะแต่พอบอกท่านบอกว่าเออเหมือนคนพันนะเหมือนคน<อ>ประมาทนะก็อ่อยพอรับได้หน่อย พอไปหอกว่างโง่เลยนะรับไม่ได้สิถ้าบอกเอออย่าประมาทนะเออถ้าอย่างเงี้ยรับได้เ อ, อ๊ะเองนี่ประมาท อ, อ, อย่างนี้พอรับได้พอมันหลีกเลี่ยงคําว่างโง่เลยนะพอชื่นใจนเนาะไอ้คําบางคำเนี่ยนะถ้าไปตั้งอีกชื่อหนึ่งเออพอใจถ้าตั้งอีกคำหนึ่งทั้งนั้นที่แปลออกมาคือคําเดียวกันนั่นแหละไม่พอใจแต่อย่างตอนที่ท่านท่านพระนนเนี่ย น, นะ ตอนที่ท่านพาระละหันเปรียบเปยท่านพระนนตอนนั้นพระนนท์เตระเป็นพระโสดาบันเนี่ยเวลาพระนนเดินมาใกล้ๆพระละหันเหล่านั้นก็บอกว่าเหม็นกลิ่นนะคือเหม็นเหลือเกินเนี่ยนะเหม็นเหม็นมากอะไรเงี้ยพระนนท์อายอายสะดุ้งสะเทือนมากเียไปเจริญกุศลธรรมท่านพูดแค่นั้นรู้ทันทีโอ้กิเลสของเราเนี่ยมันโชยกลิ่นออกมาให้กับพระลรหันได้เห็นได้ไดไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ได้กลิ่น โลพาโทสะโมหะที่อยู่ในกระแสจิตนั่นนะไปโชยกลิ่นออกมาให้กับพายละหันด้านหนึ่งเห็นไ้มท่านโอ้ท่า น, ท, านท่านเป็นทุกข์มากเลยท่านรีบเร่งปฏิบัติมากเลยอย่างที่บอกเราไม่รู้จะเหม็นกี่ชั้นกันก็ไม่รู้นะในขณะที่โลพาเกิดขึ้นก็เคยนึกว่าโอยกลิ่นมันเหม็นเหลือเกินอบอวนเหลือเกินนั้นนึกอย่างนั้น เมื่อไรเนีมันจะศาสสางไอ้ความเหม็นในในในขันในตาภาพในขันในจิตสันดานในขันใสันดานให้ออกจากจิตสันดานได้ท่านก็คิดงั้นไหมบอกเหม็นเลยเกินเนี่อุสุรธรรมอัลามกทั้งหลายทั้งที่ท่านก็พูดนะอุสุรธรรมอลามกก็คือเป็นเป็นข้อบ่งบอกว่ามันเหม็นอยู่แล้วนะแต่เราบอกว่ามันยังหอมอยู่ไอ้เรื่องนี้มันยังดียังดีมันหอมกิเลสแค่นั้นนะเมื่อไรมันจะอยากจะอ้วกออกคือตลอดเวลานะอยากจะอ้วกอยากจะ อยากจะอาเจียนออกมาให้ได้เว้นพระรหันต์แล้วในการกระทำต่างๆที่เป็นกุศลอกุศลกรรมพวะ ก, ก็จะเกิดขึ้นได้และถามว่าเมื่อล้าจากโลกนี้ไปแล้วก็เบรพังเกิดเป็นกลุ่มอบายสัตว์บ้างเป็นมนุษย์เป็นเทวดาะลรเป็นพรมซึ่งอุปปติพวะก็ดีเหล่านี้ย่อมเป็นไปด้วยอำนาจของอุปาทานทั้งสอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในขันธสันดานของตอนนั่นเองเป็นปัจจัย ลักษณะของอุปาทานทั้งสการช่วยประการะของอุปท า, านทั้ง4ี่ซึ่งเป็นปัจจัยแก่กรรมภาวะและอุปติภาวะนี้ย่อมได้อำนาจปัจจัยเดียวนะคือปกตูุบันิสัยปัจจัยคือคนเราเวลาอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วได้ขันก็ยึดขันแล้วก็ปฏิบัติถูกบ้างปฏิบัติผิดบ้างหมายถึงถูกก็วนอยู่ในวะตะผิดก็วนอยู่ในวะะัฏะถูกหมายถึงไปสุขติหน่อยนะอย่างเงี้ยดยมากก็อย่างนั้น แม้แต่ภาพอาหารทั้งหลายเนี่ยนะหรือท่านที่ตรัสรู้ทำทั้งหลายเนี่ยถามว่าท่านก็ดูอัตภาพนี่แหละเวลาท่านจะตึกจะพิจารณาใช่ไหมก็ตึกพิจารณาขันขันห้านี่แหละแล้วก็เป็นปัจจัยขั้นแทงตลอดได้แต่ถ้ากลุ่มบุคคลที่ยังต้องไปในอบายภูมิบ้างมนุษยภูมิเทวภูมิและพรหมภูมิบ้างกลุ่มเหล่านี้ก็มีพวกภาวะสองอย่างนี่แหละเป็น เป็นการช่วยประการะของของอุปาทาน4ี่อย่างนะั่นแหละเป็นปัจจัยแก่การทํากรรมและเป็นปัจจัยในการอุบัติเกิดขึ้นอันนั้นมองในแง่ของปัจจุบันิสยปัจจัยก็จะเห็นมาประการต่อมาบุคคลใดบุคคลหนึ่งกําลังทํากุศลอกุศลกรรมมาเพราะว่าให้เกิดขึ้นโดยมีอุปาทานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์อย่างสามัญอันนี้ในแง่ของอารมณปัจจัยนะ ขณะนั้นอุปาทานทั้งสี่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยช่วยวการแลกเกศกุศลกุศลกรรมภาวะนั้นด้วยอานาจแห่งอารามณปัจจัยถ้าได้อารามณปัจจัยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอารามณปัจจัยแบบสามัญปกติปัจจัยที่เป็นอารามณชาตินี่นะถ้ามองดูว่ากลุ่มปัจจัยที่เป็นอารามณชาติเนี่ยถ้าหากว่าเป็นอารามณปัจจัยอารามนาธิปติปัจจัยอารามณูปนิสยปัจจัยถ้าเป็นอย่างนั้นนะ ก็จะต้องอารมณ์นั้นมีการฝากฝ่ายยินดีอย่างเหนียวแน่นอย่างแรงกล้าเนี่ยถ้าในลักษณะอย่างนั้นถึงจะได้อารมณาที่บดีหรืออารามนูปนิสยยแต่อันนี้ไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นฝากฝ่ายอย่างแรงกล้าใช่เป็นอารมณ์แบบสามัญเมื่อเป็นอารมณ์แบบสามัญก็แปลเหมือนเราคิดเนี่ยนะเช่นเช่นเวลาเราเห็นผิดเนี่ยปกติเราก็เห็นเป็นตัวเป็นตนธรรมดาใช่ ที่เป็นสักกายะทิฏฐิอวิยธรรมดาก็ธรรมดาอยู่บุรุษชนที่พอจะมีความเห็นผิดเห็นถูกเนี่ยเห็นว่าเออมันก็เรามันก็ของเราก็มองเออนั่นพ่อเรานั่นแม่เราคิดถึงไปมันก็ธรรมดาใช่ไหมไม่ได้ดีอกดีใจไม่ได้ไม่ได้หนักหน่วงในใจเราเลยอะ่ะของสัตว์นั่นเลยอันนี้เป็นอารมณ์สามัญ น, นะเนี่ยเป็นอารมณ์สามัญหรือหรือว่าในกลุ่มที่บอกว่าอย่างเช่นกลุ่มที่ปฏิบัติอย่างยกตัวอย่างนะ่ะ ถ้าเราเรียนรู้อะเรียนรู้พวกศีรพตุปาทานเนี่ยแล้วเราก็ไปเห็นคนที่ปฏิบัติแบบศีรพตุทะปาทานมันไม่หนักหน่วงในอารมณ์เราเห็นก็ธรรมดาใช่ไหมบอกเหมือนเราศึกษาเนี่ยพอนึกไปโอ้กลุ่มที่ปฏิบัติเยี่ยงโคเยี่ยงสุนัขเป็นต้นแล้วก็ไปสําคัญว่าข้อปฏิบัตินั้นจะทําให้ตนเองนั้นบรรลุมรรคผลที่พานคิดไปก็ธรรมดาอย่างนี้เป็นอา ร, รมมะปัจจัยแบบสามัญนะ เห็นธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรเป็นพิเศษและเป็นอย่างนั้นจริงไหมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอารมณนาที่เป็นอารมณนาปัจจัยธรรมดาแค่นั้นเลยหรือบางทีไ ป, ไ ป, ไ, ปไปศึกษากลุ่มที่เป็นนิยธรมิจฉาทิเทียก็อย่างยกตัวยอย่างเช่นถ้าไปดูอย่างกลุ่มพวกสัญชัยเนี่ยอมมาลาวิเขปะทิเทียไอ้ที่เหมือนกับปาลาไหลอมาราอมมลาเป็นชื่อของสัตว์คือปาลาไหลเนี่ยที่จับไม่อยู่ลื่นไปก็ลื่นมา อั น, นี่ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่เนี่ยพอศึกษาแล้วบอกวธรรมดาเห็นไหมไอทิฏฐิเหล่านั้นยังมาเป็นอารามนาเป็นอารามนาปัจจัยเฉยๆให้กับเราได้เลยแต่ถ้าบางกลุ่มที่เวลาเขาฟังอย่างนี้แล้วเขาชื่นใจนะใช่ไหมเช่นถ้าฟังเกี่ยวในเรื่องทิฏฐิอย่างนี้โอ้โหเขาชอบขึ้นมาเลยใจเขาหนักหน่วงในอารมณ์นั้นอย่างแรงกล้าขึ้นมาเนี่ยอันนั้นมันจะเข้าในข้อของอารามนาเทียบเดียารามนูได้ใช่ไหม มันจะได้สาปัจจัยได้แต่อย่างนี้มันมีหนึ่งปัจจัยเพราะว่ามันเป็นสามัญญาอารมณ์อารมณ์สามัญธรรมดาโดยทั่ ว, วไปมันไม่เข้าถึงโดยความเป็นอธิบดีในนี้คือราเมนาธิบดีมันไม่หนักหน่วงแต่นีต่อมาท่านในขณะที่กุศลนักกุศล ก, กรรมที่เกิดขึ้นโดยมีอุปาทานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใส่ใจเป็นพิเศษขนาดนั้นอุปาทาน4ี่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยช่วยประการละเก่กุศลนักุศล ก, กรรมะวะ ด้วยอำนาจของปัจจัยสอันเนี้ยจะเข้ามาปัจจัย3ข้อนี้ทันทีเลยอารามนาปัจจัยรามนาทิปเดียรามโนบุนิสยาพวกนี้หนักหน่วงมากอารมณ์นั้นหนักหน่วงถ้าในตรงเนี้ยเราจะเอาอะไรเป็นปัจจัยแก่อะไรอ่ะตรงนี้เอาอะไรเป็นปัจจัยแก่อะไรในแง่ของอารามนาปัจจัยเนี่ยเอาทิฏฐิเป็นอารมณ์หรือเจตนาเป็นอารมณ์มองดูทีฏทิฏฐิเป็นตัวอารมณ์หรือหรือเจตนาเป็นอารมณ์ ทิฏฐิเป็นอารมณ์ของเจตนาหรือเจตนาเป็นอารมณ์ของทิฏฐิตัวทิฏฐิเป็นอารมณปัจจัยตัวโลภะเป็นอารมณปัจจัยแต่เจตนาที่เกิดหลังๆเป็นอารมณปัจจยุบันเห็นไหมเกิดคนลวิถีกันเกิดคนลวิถีทั้นถ้าหากเรามองอย่างนี้จะเห็นว่าทิฏฐิเนี่ยประกอบได้ในทิฏฐิกัตาสัมมยุตติ จ, จิตี ส่วนโลพานั้นนะ่ะเยสิกนั้นอยู่ในโลพา8ดไอตัวโลพากับเจตทิฏีเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการกระทำเนะไม่ใช่โลพากับทิฐิที่เกิดขึ้นจากการกระทำเนี่ยเช่นเรากระทากรรมที่มีโลพาและทิฐิใช่ไหมที่กระทาก่อนๆหน้านั้นน่ยต่อมาก็ไปนึกถึงการกระทําอย่างนั้นถ้านาชอบใจแรงกล้าด้วยไออย่างนั้นมีอุปาทานอย่างใดอย่างหนึ่งนะั่นแหละเป็นเป็นอารมณ์ ถ้าในจุลโทย้อนไปเห็นได้เลยตรงนี้ เ, เนี่ยเอานาจประแจสามเนี่ยที่กูสาราชาตามหานางประภาวดีร้อยโยอดเนี่ยนี่จะเห็นชัดใช่ไหม <c oughs> ถ้ากูสาราชาตามหานางประพาวดีร้อยยอเนี่ยจะได้อารมณนะ์นาปัะจอารมนาะทีบดีและอารมณูปนิสยะที่บอกว่านางประภาวดีเนี่ยงามพวกนั้นส่วนกูกุสาลาชานี่ขี้เหลวมากมีร่างกายมีร่างกายดำน่าเกลียด แข็งแรงแต่เป็นพระราชเป็นพระรา ช, า, า, ช า, างกันอยู่คนละเมืองอยู่ว่าพอไปเห็นนางป่าเผาดีชอบแต่นางป่าเผาดีไม่เคยเห็นกุศาลราชาเลยก็เลยขอแล้วมาแต่งกันอยู่ว่าแต่ก็เลยมี ม, มีมีข้อแม้ว่าเมืองเขาเป็นประเพณีว่าจะไม่ไม่ให้ดูรูปร่างกันก็แปลว่าต้องอยู่กันกลางคืนกลางวานาันก็ไปคนละที่อย่างเงี้ยจริงจรกลัวกลัวกลัว พระมเหสีก็เดตนเองจะเห็นความอับอาย ร, ร่งตัวเองพระโพธิสัตว์เนี่ยเนี่ยเกิดมายัางร่างกายเป็นอย่างนั้นนะแต่แข็งแรงมากต่อมาจริงๆแล้วเกิดเกิดเรื่องราวเกิดเสียหายขึ้นมาผลปรากฏว่าผู้หญิงก็ได้เห็นเขาหนีจับเมืองแล้วิ่งหาเหลยไอ้กรณีที่วิ่งเดินด้วยเท้าเปล่า ว, วิ่งหานี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเนะวิ่งวิ่งจากเมืองตนเองไปถึงเมืองผู้หญิง อันนี้อารมณ์ต้องเป็นรามนาทิพเดียรัมโนปนิสยะแน่นอนใช่ไหมในเจตานาที่เกิดขึ้นโดยปารบกรรมมุปาทานเนี่ยพยุดแล้วก็ปาราลบทิฏฐุปาทานด้วยใช่ไหมว่าเป็นภรรยาของเราเราจะต้องเอาใจยึดเห็นไหมอุปาทานสองนี่แหละเป็นปัจจัยแก่กรรมมาเพราะวะ่าคือเจตานาในการกระทํากรรมในขณะนั้นในขณะที่ตนเองวิ่งด้วยท่าเปล่าทุกย่างก้าวเนี่ยนะไม่เหนื่อยเลยนะ วิ่งแบบไม่เหนื่อยเคยวิ่งแบบลืลมตัวไหมพิยุทธ์วิ่งแบบโอ้โหอยากจะได้เต็มที่อ่ะเคยใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้นั้นในขณนะที่วิ่งเนี่ยนนะีวิ่งตามหาอยู่เนี่ยในขนาดนั้นนะ่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าอุปาทานเป็นอารมณ์ของเจตนาอย่างเหนียวแน่นนี่เป็นอย่างนี้อุปาทานเป็นอารมณ์ของเจตนาอย่างเหนียวแน่นอภิการต่อมาในสัมโมหาวิโนธนียตถาถา อุปาทานทั้ง4ี่อุปการะแก่กรรมมาภวและอุปติภวะโดยภูมิแล้วคือได้อย่างงี้นะในรูปภปูมิรูปภูมิอุปาทานทั้ง4เป็นปัจจัยช่วยประการะแกรกุศลกรรมมาภวและอุปติภวด้วยอานาจแห่งปัจจัยเดียวคือปะคตูปนิสยปัจจัยได้ปัจจัยเดียวในกามภูมิอุปาทานสีกรมมุ ป, ปาทานศีละพตูปาทานอัตวาทุปาทาน เป็นปัจจัยอุปการแก่กุศลอกุศลกรรมรภาวะและอุปติภาวะที่ไม่ได้เกิดพร้อมกับตนกับตนน่ะได้อํานาจปัจจัยเดียวเช่นกันคืออุปคือปัจตูวณิสยะปัจจัยตรงนี้มองไม่ยากนะตรงนี้มองไม่ยากสามารถที่จะเห็นได้ส่วนที่เป็นปัจจัยอุปการะแก่กุศลอกุศลกรรมรภาวะที่เกิดพร้อมกับกับตนด้วยอํานาจปัจจัยเจดเจ็ดนี่คืออะไรซาชาตะ อัญญาบัญญันิสยาสัมยุตตะเหตุอัติแล้วก็วิกตา น, นี้กล่าวตามเทศนานะไม่ได้กล่าวตามลำดับของชาติให้สังเกตดีพระพุทธเจ้าแสดงไม่แสดงตามลำดับของชาติหรอกแต่ตามลำดับของเทศนานี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นมาถึงตอนนี้จอบอหรือยังเนี่ยเหลือตรงไหนเอะอะไรนะมหาคตากุศลเจตนาเก้าไม่ได้ ให้กลับไปดูตรงนี้อีกทีนะในหน้าที่5ใช่ไหมอุปาทานอย่างใดอย่างหนึ่งการอุปาทานสีและประตูปาทานอัตวาธุปาอะไรเนะี่ยทิฏฐุปาทานสีและประตุปาทานอัตวาทุปาทานในอย่างใดอย่างหนึ่ง4อย่างเนี่ยนะเป็นปัจจัยอย่างสามัญแ ก, กนะ่กุศลอกะะุศลกรรมมโวฬาคือเจตนากรรม29นี่นะถามบอกว่าได้เฉพาะมาหากุศลเจตนา8เท่านั้นอันนั้นถูกต้อง เพราะมหากุศลเจตนาแปดเนี่ยสามารถที่จะไปรับเอารับเอาอะไรได้รับเอาอุ ป, ปาทานทั้งสได้เช่นกามุ ป, ปาทานเป็นต้นเน่ยนะเกี่ยวกันในเรื่องของโลภะอทิฐิที่เกิดขึ้นกับโลภะที่เกี่ยวกันในเรื่องของความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความเห็นใช่ไหมความเข้าไปเห็นว่ารูปนี้โดยความเป็นของเที่ยงเป็นต้น เป็นสัตตตาทิฏฐิหรือไปเห็นถ้าหากรูบารมเข้ามาสู่คลองของจักขู่แล้วก็ไปเห็นด้วยความเป็นของขาดศูนย์ที่เป็นกลุ่มอุเฉททิฏฐิอันนี้เข้าทิฏฐุปาทานนะนะแล้วถ้าหากออก็ไปยึดมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติเห็นสังสารวัฏบอกว่าเราจักบริสุทธิ์ได้ด้วยการปฏิบัติออกจากอารมณ์อย่างนี้ได้ด้วยข้อปฏิบัติเช่นนี้เช่นนี้อันนั้นเป็นกลุ่มพวกศีะระพตูปาทานเนี่ยนะ เอกรณีที่ปฏิบัติในลักษณะอย่างนั้นอยู่ต่อมาเจตนาที่ในมหากุศลเนี่ยไปตรึกพิจารณารู้ทันทีเลย ว, ว่าอันนั้นเป็นบาปเป็นอกุศลเมื่อไปตรึกพิจารณาเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นกามปปาาุปาทานทิฏฐปาทานสีระพตุปาทานและอัตวาทุปาทานที่ยึดมั่นในอารมณ์ทั้ง6นั้ น, นไม่เป็นบุญเลยว่า้งนะ่ะ พิจารณาอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปชื่นชมใดๆเลยไหมไม่ได้เป็นอารมนาธิบดีไม่ได้เป็นอารมณ์โนปนิสสยะเลยเพราะอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ที่มหากุศลไปตรึกเห็นแล้วจักไม่ยินดีพอใจให้สังเกตอย่างนี้ได้ ว, ว่ามหากุศลเจตนาเนี่ยนะจะไม่ไปยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเด็ดขาดจะไม่เคยไปชื่นชมความงามของศรีละเลยนะ ไม่งามเนะีเห็นด้วยความไม่งามงดัดีแต่เจตนาในมหากุศลให้สังเกตถ้าเรามองเห็นใครงามนะีว่าโอ้ยนี่งามเนี่ยโอ้โหนี่สวยนี่เที่ยงนี่ดีไงนะถ้าเห็นอย่างนั้นน่ะไม่ใช่กุศลอย่าไปเถียงนะอันนั้นระบาดชัดๆก็คือโลภะเจตนาในโลภะเกิดขึ้นเป็นอกุศลกรรมะพะวะเกิดขึ้นปารลทิฏฐิแล้วปารลบอุปาทานแล้วแต่ถ้าหากมหากุศลเจตนาที่เป็นกุศลกรรมะพะวะเกิดขึ้นโดยการปารล อารมณ์อย่างสามันโดยการอุปาทานทั้งสีเนี่ยนะการมุปาทานที่ตุปาทานสีระปตุปาทานหรืออัตวาทุปาทานเนี่ยจะปรารบด้วยอารมณ์สามันเป็นอารมาณาที่ดีเท่านั้นเดีเห็นแล้วเข้าใจเลยว่านั่นไม่ใช่บุญไม่ใช่บุญและเห็นเลยว่าสิ่งนั้นไม่งามจริงไม่งามและเห็นว่าข้อปฏิบัตินั้นไม่ดีจริงนะแต่ว่าไม่ดีระดับไหนก็อยู่ที่บุคคลเนี่ยนะอยู่ที่บุคคลไป แล้วแต่กุศลกรรมวะของบุคคลนั้นน่บ่มดีเพียงแค่ไหนอย่างไรอันนี้จึงเป็นอย่างนี้ส่วนมหาคตะกุศลเจตนาเก้าเขาไม่ได้ไปรับพวกอุปท า, านเหล่านี้เป็นอารมณ์เขามีพวกกรรมฐานมีกลุ่มพวกศีลสิบอสุภา10สิบโกฏาอาณาปานาปียามนาถ้าอรูปเจตนากุศลสเขาไปรับอะไรรับพวกกสินุคาติมากาศบ้าง อาการสารนัญจายตนะบ้างนาถีภาวะบัญญัติบ้างใช่ไหมแล้วก็รับเลยกันหมดแล้วใช่ไหมรับในลักษณะอย่างเนี้ฉะนั้นอารมณกรรมฐานก็ก็มีพวกอารมณกรรมฐานอะไรเป็นอารมณ์ส่วนพะทโธกุศลเขาก็มีพวกกรรมฐานมีกสินสิเป็นต้นอะไรเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทิฏฐุปาทานหรือว่ากามุปาทานเป็นต้นอย่างใดเลยเจตนาในมหกากตากุศลไม่มีพวกกามธรรมเป็นอารมณ์ เขามีพวกบัญญัติธรรมกับมหาคตธรรมเป็นอารมณ์เท่านั้นมองเห็นยช่ไหมตรงเนี้ยแต่ทองลืมหมดแล้วมองเห็นอย่างเดียวพระพุทธรูปต่อไปข้อที่หกอุปาทานสีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยแ ก, ก่กุศลอกุศล ก, กรรมภวะใช่ไหมเป็นอารมณ์อย่างใดยอย่างใส่ใจเป็นพิเศษเพราะเจตนาที่ในโลภะนะอันนี้ต้องเน้นด้วยเออไปกำกับดีเหมือนกันตรงเนี้ย ก็ตอนอธิบายครั้งแรกไม่ได้เน้นเจตนาที่จะไปยินดีพอใจโลภะกับทิฏฐิได้ที่เป็นอุบาทานได้เจตนาในกรรมการกระทาไม่ใช่เจตนาในกุศลต้องเป็นเจตนาในโลภะไม่ใช่เจตนาในโทสะไม่ใช่เจตนาในโมหะและไม่ใช่เจตนาในมหคัตตต้องเป็นเจตนาในโลภะเท่านั้นโลภะชื่นชมโลภะไม่แปลกไม่แปลกใช่ไชื่นชมอย่างยิ่งด้วยยิงไม่ทับ ตัวโลภาเนี่ยถ้าไปไปไปไปตรึกถึงโลภาเนี่ยโลภาจะชอบใจหรือเสียใจยิ่งชอบอย่างยิ่งเใช่ไหมฉะนั้นถ้าหากว่าเจตนาในโลภาเนี่ยไปไปเห็นโลพาก่อนๆไปเห็นทิฏฐิก่อนๆที่เคยเกิดขึ้นกับตนแล้วแล้วเกิดเห็นทีไรอะยิ่งยิ่งภูมิใจโอ้หเราเนี่ยทำถูกจริงๆ เ, เราทาถูกไอความคิดของเราเนี่ถูกวางั้นไอความคิดเนี่ยถูก ชัดแจ้งเลยว่างั้นแล้วคิดทีไรมันชื่นใจไหมชื่นใจจริงๆริงบางคนบอกโอ้โหชื่นใจจริงๆว่าไงไอ้น้ําตกตรงเนี้ยไปดูทีไรลราชื่นใจจริงๆไอ้อย่างเงี้ยเป็นกามุปาทานนะบออ่อผ้าผืนเนี้ยดูทีไรมันก็ชื่นใจจริงๆริงได้สปัจจัยเลยนั่น่ะอัลลามานะ อ, าาาอาาัลล า, ามนาที่ดีอัลลามโนบันิสยะเวลาลูกพูดดีๆทีไรเนี่ยโอ้มันชื่นใจจริงๆริง อ, อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเป็นกามูปาทานเป็นปัจจัยแก่ เจตนาในโลภะแล้วบางทีไปยึดทิฏฐิแหละเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าขาดศูนย์แล้วเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตนเนี่ยแล้วก็โอ้โหพอใจอย่างแรงกล้าอีความเห็นอย่างนี้ใช่ไหมบอกถึงใครจะพูดยจงไงก็ช่างเอยแต่มันชัดเนะ่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้เรามันชัดไนะดอารมณ์สาเลยใช่ได้ได้ปัจจัย3าเลยอนันตราชาติเนะี่ยอนันตระอนันตุปนิสยนะัติวิกาตาอายกตัวอย่างเช่นว่ามองเห็นที่คนเขาว่าสวยเนี่ยชอบใจอย่างแรงกล้าไหม เป็นชอบใจอย่างใ น, นการได้สามปัจจัยเป็นอารมณ์อย่างสามเป็นอารมณนาที่ปดีด้วยเป็นอารมณนาธิบดีด้วยโอ้เห็นแล้วชื่นใจเห็นแล้วยิ้มเลยว่วางั้นเถอะเห็นแล้วหายง่วงอะ่ะเห็นคนสวยๆงามๆเดินมาเห็นปุ๊บนี่หายง่วงแสดงว่านี่ได้อารมณนาทีป่ปดีนะนี่เป็นอารมณนาที่ดีแล้วเป็นอารามณนูบานิสตยาอยากจะเห็นอีกนเลยนะมีก็นี่เป็นอย่างนี้ ไม่ต้องอะไรหรอกว่าเรื่องการมคุณเนี่ยท่าจะพูดไปแล้วเนี่ยจิตของพวกเราวิปลิตนช่เอางี้เอาแค่แค่พระเนี่ยถ้ามีใครเอาจีวรดีๆครับเอาถวายนะต้องการให้เปลี่ยนได้แล้วจีวรเราเก่าจีวร อ, อย่างดีแล้วถูกใจแล้วก็คิดหวังมานานด้วยอนี้องคิดดูเนี่ยอ ร, รมัมมาะปัจจัย ร, รัมนาทิพดีอ ร, รัมโนปนิสุยะเห็นไหมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทันทีนั่นนะโลภะเจตนาในโลภะไปชื่นชม ทิศถูปาทานเออกามุปาทานที่เคยฝังไว้ในใจเนะี่ยนี่เป็นแบบนี้บางทีอาหารเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกที่เราไปบินธบาตกันเนี่ยพอได้อาหารอย่างนี้ปุ๊บใจมันชื้นขึ้นมาเลยเนี่ยชื่นใจขึ้นมาเลยบอกโอ้โหหวังมานานแล้วดูอาการสํารวมไปอย่างนั้นแหละแต่ในใจนะมันชอบแล้วก็กรฉันดูก็โยมก็มองไม่ออกด้วยนะใช่ไหม ยอมก็มองไม่ออกอู้วพาท่านนี้เคร่งเน้นอันนี้เรียบร้อยแต่ที่ไหนได้ทกคําที่จันเข้าไปเนี่ยหืมมันชื่นใจเลยก็แนั้นนะแทบไม่อยากแกเลยลิ้นลงไปห ล, ลุมห ล, ลุมคอพลลงหลุมคอมันหมดรสเคี้ยวใหญ่เยอะเคี้ยวใหญ่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมนี่มันเป็นการมุปาทานเป็นปัจจัยแก่กรรมมาภาวะเจตนากรรมในโลภมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ว่า แล้วที่ถูกประทานเป็นได้เอออัตวาทุกประทานได้ไ้ยได้เออถ้าเราได้อาหารอย่างนี้เห็นไหมเราขึ้นมานะเราได้อาหารอย่างนี้จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงว่า ง, งั้นอยู่ได้อีกนานเห็นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเลยไหมถามว่าพอเห็นปุ๊บขึ้นมาเนี่ยถามว่าเคยปลาลบนะถ้ากลุ่มบอกเ อ, อถ้ากลุ่มที่เขาศึกษามาดีอุปชาเราเอาจารย์เอออุปชาอาจารย์ เป็นอย่างงน้นอย่างนี้น้อมน้อมรักษาอย่างนี้น้อมออกนะใช่ไหมไม่ได้น้อมแบบที่ถูกอัตวาทุบอาทานเนี่ยไม่ได้น้อมต้นเท่าไหร่เนี่ยน้อมน้อมน้อมต่อเลยบางทีอเอ๊ะอย่างเราสมควรไหมบางกลุ่มแล้วเอ๊ะอย่างเราสมควรอาหารแบบนี้ไหมสมมุติว่าเราไปรับอาหารปุ๊บเนี่ยนะเขาใส่อาหารปุ๊บแล้วจิตมันชอบทันทีเนี่ยพระท่านยืนนิ่งเลยนะครับถ้าสมัยก่อนนี่นะท่านยืนนิ่งเลย ถ้ามีพระองค์ไหนเยืนเดินผ่านมาท่านนิมนต์เลยครับบอกว่าช่วยเอาอาหารถวายช่วยบอกข้าพเจ้าถวายอาหารท่านผมถวายอาหารท่านนะครับบอกาถามทำไมภิกษุเช่นผมไม่สมควรรับอาหารเช่นนี้ถามว่าทําไมละ่ะเพราะบาปได้เกิดขึ้นกับผมซะแล้วในขณะที่ผมรับอาหารอยู่ถามมีใครเคยตรึกขนาดนี้ไหมถ้าไม่มีก็ยังห่างไกลมากห่างไกลมากยังห่างพระพุทธเจ้ามาก นี่ยังห่างมากแล้วนะครับขนาดเนี้ยถ้าพระนั่นก็จะบอกว่ า, ท, าท่านระวังมากไม่ให้ใจเป็นบาปในขณะที่รับท่านรับมาด้วยใจเป็นบาปแปลว่าท่านได้ได้วยไม่บริสุทธิ์และไม่ใช่แค่นั้นนะกลุ่มมีอาสามโมหาสามปชัญญ่าเป็นอย่างดีถ้าเดินแล้วใจท่านเลื่อนลอยแล้วใจใจท่านมีบาปเกิดในขนาดนั้นเนะี่ยท่านหยุดเลยท่านหยุดเลยถ้ายังไม่สามารถขจัดอกุศลและทำอันลามมกในกระแสจิตออกได้ท่านยืนนิ่งและท่านนั่งลง ทุกวันมีมงไ้มีเห็นพระพระเดินระบาดแล้วไปนั่งอยู่กลางทางงันมีวงนั่งตากแดดไม่มีเลยใช่ั้ยถ้าหากมีพระเดินมาอีกรูปหนึ่งท่านจะบอกว่าท่านครับช่วยแนะนำเพื่อขจัดอกุศลธรรมในกระแสจิตของข้าพเจ้าทีของผมทีเพราะตอนนี้ผมถูกกิเลสกุ้มรุมแล้วเนี่ยไม่ปรารถนาจะก้าวัยวะเดินไปถ้าก้าวไปก็เป็นการทากรรมผิดพลาดแล้วใช่ไหม จิตที่คิดที่จะก้าวเป็นอกุศลกรรมพระวะไหมเป็นอกุศลกรรมพระวะและ้วปาทานอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยไปถึงข้อนี้ข้อหนีหนากามอุปาทานสี่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยแกอกแกอกุศลอกุศลกรรมพระวะเป็นอารมณ์อย่างเอาใจใส่เป็นพิเศษว่าไ ง, งาโดยเฉพาะที่เป็นโลภะได้แก่กุศลอกุศล ถาถามบอกว่าถ้าหากโลภะเนี่ยจะได้อำนาจปัจจัยสามใช่ไหมอกุศลเจตนทาที่อยู่ในโลภะไปเอาทิฏฐิเอาโลภะเป็นอารมณ์ดังที่ได้กล่าวงนั้น <Okay. S 1> ถ้าหากว่ามองในแง่ของพระดังที่ได้กล่าวมาว่าถ้าในกลุ่มของพระเนี่ยท่านรู้ท่านศึกษามาดีไงครับถ้าพระในยุค ก, ก่อนๆนเนี่ยท่านฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าหรือศึกษาจากครูบาอาจารย์เป็นอย่างดี ท่านจึงอยู่ในทุกๆอิริยาบทได้ด้วยความในความระมัดระวังบาปได้จริงๆนะก็แปลว่าสัมปชัญญะ4อย่างท่านชัดเจนมากทั้งศาตกาสัมปชัญญะสปายาสัมปชัญญะโคจรัสัมปชัญญะและอัศมโมหะสัมปชัญญะของท่านดีมากเนี่ยนะก็แปลว่าท่านไม่ล้ากรรมฐานในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแต่อย่างในยุคปัจจุบันนี้โอ้ยลาบากแล้ว ตัวไผ่ก็ตัวภัยกันเลยแต่เนี้ยนะไปกันคนละทิศละทางเลยแต่เนี้ยพักถึงบอกตลอดเวลาเนี่ยพยายามกั้นใจเข้าไว้อย่าพึ่งตายตายแล้วเจ็บปวดทําได้ไหมท่านสมศักดิ์ทำได้ป่ะกั้นใจเข้าไว้อย่าพึ่งตายทําได้ไหมไม่ได้ทางไม่ได้ก็หวาดเสียวกันเรื่อยหนึ่งอย่าอย่าพึ่งตายเน้นเน้นไปเยอะอย่าพึ่งตายนะฮะเพราะต่อมันจะมันมันสบายได้พบเนี่ยนะ ในกลุ่มที่ประมาทมัวเมาทั้งหลายจะสบายพบนี้ว่างแต่อย่าตายนะถ้าตายแล้วอุ้ยทรมานจริงๆกันเนอะในวัฏจัข้างหน้าแต่ยังกลุ่มกลุ่มที่มาศึกษาพระธรรมหรือประพฤติปฏิบัติธรรมกันทั้งหลายนี่ก็กลัวเนี่ยกลัวสังสารวัฏที่เจ็บปวดในอนาคตกันก็เลยรีบเร่งในการที่ทั้งศึกษาทั้งประพฤติปฏิบัติกันอย่างถ้าเอกงั้นนะอย่างนี้เขาเรียกว่ากลัววัฏจัมันน่ากลัวไหมท่านว่าน่ากลัวน่ากลัวใช่ไหม แต่นี่ต่อไปเรื่องคิดสึกนี่ไม่เอาแล้วเนฮะเอะไม่ยอมถอนเลยเนี่ยแปลกจริงๆเรียกว่าอย่างนี้บอกว่าไม่เอาเด็ดขาดแล้วก็ขนาดขยับแข้งขยับขาแต่จิตมันวิปลิตยัยงผิดพลาดได้อะดูข้อต่อไปอุปาทานสี่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ อ, มอย่างเอาใจใส่เป็นพิเศษเฉพาะที่ในโลพะเนะี่ยเฉพาะที่นโลพะ ไม่ได้กุศลกรรมภาวะเลยเพราะอากุศลอา ร, รมนาธิปติปัจจัยแก่กุศลไม่ได้อันนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วที่ด้านหน้าปัจจัยสามอา ร, รมนาปัจจัยอารมนาทิพดีก็อา ร, รมณูปนิสยปัจจใจจบแล้วเวลาเหลือสามสิบนอาต่อจากครั้งที่แล้วเนเมื่อเข้าในบทคําว่าภาวะปัจจยาชาติภาวะปัจจยาชาติเขาแปลว่าอะไรการเกิดขึ้น การเกิดขึ้นของโลกยัววิปากจิตเจตสิกและก็กรร ม, มชรุกการปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมภพะวะนั่นแหละเป็นเหตุใช่ตรงนี้มันไปสอดคล้องกับคำว่ากรรมมาพะวะในภพสองอย่างนั้นอัตถกถาท่านบอกว่าภพมีสองอย่างใช่สองอย่างคือกรรมมภพแล้วก็อุปาติภพในสองอย่างนั้นกรรมมภพได้แก่เจตนากรรม29อุปาติภพก็ได้แก่ อุปติภพเก้าอย่างมีการมาพบรูปประพบอรูปประพบเอกโวกรารพบเจตุโวกรารพบปัญจโวสัญญีอสัญญีแล้วนเนวะสัญญีนาสัญญีพบรวมเป็นภพเก้านีก็ได้แก่ภูมสสิบเอภูมินั่นแหละนั่นคืออุปติภาวะการเกิดขึ้นการเกิดในสาอดภูมิเรียกว่าอุปติภาวะหรือเรียกว่าชาติหรือเรียกว่าชาติ ท่า น, นอุปาทานปัจจะยาพวก็แปลว่าอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดพบนี้ท่านประสงค์เอากรรมาพบและอุปติพบใช่ไหมทั้งสองอย่างแต่ในคําว่าภวะปัจจะยาชาติเนี่ยพบเป็นปัจจัยแก่ชาติเนี่ยนี้ท่านประสงค์เอาอะไรเอากรรมาพคือเจตนากรรม29เท่านั้นยิงอยู่กรรมาพบนั้นเป็นปัจจัยแก่ชาติและชาติก็คือ ปฏิภพซึ่งเป็นสภาวะขันที่เกิดขึ้นครั้งแรกนั่นแหละเห็นไหมเอาขันที่เกิดขึ้นครั้งแรกเอาเป็นอะไรเป็นชาติแต่ขันที่เกิดขึ้นครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในอะไรเกิดในภพใช่ไหมเกิดในภพพูดไปพูดมาในแง่ของธรรมมาทิฏฐานไปเหมือนแต่ด้านปุคลาทิฏฐานแยกออกอีกหน่อยเลยมองเห็นใช่ไหมตรงนี้จะเริ่มเห็นกันนี่เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นคําว่าชาติเนี่ย มาจากคาว่าชนะกังชนะกังตัวนี้เนีชนะกังชาติเนี่ยเขแปล ว, ว่าการเกิดชื่อว่าชาติเนี่ยเตสังเตสังสัตตานังตังตั ง, ตงคติอาทีสุอั ต, ตภาพปฏิลาโภชาติก็แปลว่าการได้เฉพาะซึ่ ง, ง, ง, อ, งอัตภาพของสัตว์ทั้งหลายการได้เฉพาะซึ่งซึ่งอะไรซึ่งอัตภาพของสัตว์ทั้งหลายนั้นๆในที่ทั้งหลายมีคติเป็นต้นในชื่อว่าชาติ การได้อัตภาพในนิรยคติในเปตติคติดิรฉานคติมนุสยคติและเทวคติการที่ได้อัตภาพในที่นั้นนการได้ขันเกิดขึ้นในคตินั้นๆในภพนั้นนั้นใช่ั้ยอันนั้นเรียกว่าอะไรการที่ขันอุบัติเกิดขึ้นในคตินั้นๆคติ5ใช่ั้ยและการได้ขันเทอุบัติเกิดขึ้นในภพเท่าไหร่สาบภพ ไอ้การเกิดขึ้นของขันนั่นแหละเรียกว่าชาติความสุขเกิดหรื อ, อยังขันเกิดขึ้นมาเนี่ยิ้มได้ใช่ไหมยิ้มได้ไหมการเกิดขึ้นของสุขหรือทุกอย่างลงทุกอย่างลงการเกิดขึ้นของทุกขทุกได้ประชุมกันแล้วชุกทุกได้ก่อตัวขึ้นแล้วนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าชาติทุกข์การเกิดคือการเกิดครั้งแรกของโรคยววิบากและกรร ม, มชรูปซึ่งเป็นอุปติภาวะใน 31ภูมิมีขันหนึ่งบ้างขันสี่บ้างแล้วก็ขันห้าบ้างมาจากคาว่าชนะกลางชาติใช่ไหมการเกิดขึ้นของขันเนะี่ยชื่อว่าชาติอีกในหนึ่งชาญติปาตุพวันติธรมมายตาณญ า, าติชาติเนี่ยสังกตธรรมอะไรคือสังกตธรรมทำที่มีการประชุมปรุงแต่งขึ้นเน่ยเขาเรียกสังคัตธรรมอะไรบ้างประชุมปรุงแต่งขึ้นได้จิต จิตจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการประชุมสังคตธรรมมากไหมมากเนะใช่ไหมเช่นโลภะจะเกิดเนี่ยต้องมีสังกตธรรมมาประชุ ม, มต้องประชุมใช่ไหมต้องมีอะไรต้องมีเวทนาสัญญาสังขารมาประชุมกันและต้องมีสังขารมากไหมต้องมีสังขารมากด้วยและต้องมีปัจจัยมาประชุมร่วมกันเยอะไหมกลุ่มาชาตชาติชาติกลุ่มอา ร, รมณะชาติกลุ่มอนันตระชาติ เป็นต้นเนี่ยก็มาประชุมกันเพื่อให้สังขารเหล่านี้กล่าวคือโลภะเนี่ยเป็นไจฉะนั้นธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ต้องอาศัยสังกัธรรมปรุงแต่งเขาต้องบอกว่าย่อมปรากฏเกิดขึ้นโดยอาัยธรรมชาติสังกัดธรรมย่อมปรากฏขึ้นอาัยธรรมชาติฉนั้นธรรมชาติที่เป็นเหตุแห่งการปรากฏเกิดขึ้นของสังกัธรรมชื่อว่าชาติรูปเป็นสังกัดธรรมไหม รูป28เป็นสังกัตธรรมหรือไม่เป็นที่เป็นพ่ออะไรประชมปุงแต่งให้เกิดขึ้นอะไรเกิดรูปจึงเกิดอาหารเกิดรูปจึงเกิดกรรมเกิดรูปจึงเกิดตัณหาเกิดรูปจึงเกิดแล้วอะไรกันอะไรเกิดดีกาอวิชชาเกิดรูปก็เกิดใช่ไ้ยที่จริงว่ารูปอย่างนี้วิญญาณเกิดรูปเกิดหวิญญาณเกิดรูปก็เกินามรูปไงนามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุใกล้ นั่นมีมีสังกัดธรรมประชุมรุงแต่งกรรมจิตตัวตัวอาหารเนี่ยปรุงแต่งขึ้นปรุงแต่งขึ้นรูปจึงเกิดใช่ไหมฉะนั้นการเกิดขึ้นของรูปประธรรมทั้งหลายเนี่ยก็เป็นชาติอ้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่ากอสาัญญสัตเอกโวะกระพพบนะในเอกโวะกระพพบเนี่ยขันหนึ่งอ่ะของอสัญญาสัตอะไรประชุมขึ้นอะไรประชุมปรุงแต่งขึ้นชีวิ ต, ตะนวากะกราบ เใช่ไหมเอาวี่พอกระรูป8ดแล้วก็ชีวิตกระรูปหนึ่งเป็นกรรมเฉรูปใช่ไหมเนี่ยอะไรประชุมขึ้นเจตนาที่ในสัญญาเวลาคะใช่ไหมสัญญาเวลาค่าเจตนานั่นแหละตัวนั้นแหละเป็นตัวประชุมถามว่ากว่าจะได้รูปอย่างนั้นมาต้องประชุมฌานเส้นเช่นนั้นมาใช้เวลาประชุมนานไหมใช้เวลาสั่งสมกรรมนานไหมนานมากไม่ใช่น้อยน้อยนะกว่าจะทําสัญญาเวลาค่าภาวนาให้เกิดขึ้นได้ใช่ไหม เจตนาที่ในปัญจมะชานกุศลปัญจมะชานเน่ยเจตนาที่ในกุศลปัญจมะชานกว่าจะทําดวงนั้นให้เกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยมากมายนประชุมเมื่อได้ปัจจัยตัวนั้นเกิดขึ้นมาแล้วปัจจัยตัวนั้นได้เหตุได้ปัจจัยก็ไปประชุมเป็นปัจจัยให้กรรมชโรกเกิดขึ้นในอสัญญาสัตต ภ, ภูมินั้นรูปตรงนั้นนะจึงสามารถ สืบต่อได้ห้าร้อยมหากรัปนะครับใช่ไหมถ้าไม่อาศัยปัจจัยประชุมกันเป็นจํานวนมากๆเนี่ยโอ้โหไม่สามารถตั้งอยู่ได้ไม่ใช่ตั้งอย่างเดียวนะเกิดดับนะสืบต่ออยู่ได้ถึงห้าร้อยมหากรัปมองเห็นใช่ไหมมองไม่เห็นเราคิดเห็นใช่ไหมอย่างเงี้ยคิดแล้วเข้าใจคิดแล้วเข้าใจเลยเนี่เพราะอาศัยอาศัยเหตุปัจจัยประชุมปรุงแต่งขึ้นใช่ไหมในบรรดาสังฆธรรมเนี่ย นี่คือชาติคือการเกิดขึ้นเนี่ยนะแต่ในที่นี้เขาเกิดขึ้นของบอกว่าโลกิยวิบากและกรรมมาชรูปไงถ้าไอตัวกรร ม, มชรูปจะเกิดขึ้นมาได้ไม่ต้องอาศัยหูการประชุมเออถ้าไปดูตรงนี้อารมูปวิบากสโดยเฉพาะเนวะสัญญาณาสัญญายานาวิบากนามขันสี่อันเนี้ยที่จะไปเกิดในอารมู ป, ปภูมิในภูมิสุดท้ายในเนวะสัญญาณาสัญญายาธนาภูมิ ต้องอาศัยการปรัปรจจัยประชุมบุงแต่งยาวนานไหมนานมากใช่ไหมกว่าจะไดอรูปฌานชั้นสูงสุดเนี่ยท่านบุญนั้นต้องเพียรพยายามอย่างแรงกล้านะใช่ไหมเมื่อได้อารูปกุศลนี่ไหมเนวะสัญญาณนาะสัญญายะนะกุศลน่ยกรรมคือเจตนากรรมในนั้นนะ่ะกรรมภาวะตัวนั้นน่ะนะกรรมภวะตรงนั้นนะ่รร ะ, ะนนนะที่จะเป็นปัจจัยให้ได้ชาติคือการอุบัติเกิดขึ้นกันของ เนวาสัญญานะสัญญายตนาวิบากอายุเขาเท่าไหร่รู้ไหมแปดหมื่นสี่พันมหากรบเห็นไหมท่านแปดหมืสี่พันมหากับต้องอาศัยปัจจัยประชุมปรุงแต่งอย่างมากทีนี้ถ้าไปลงอใบยพูมอาอเวจีต้องอาศัยปัจจัยประชุมปรุงแต่งไหมอาศัยอยู่เหมือนกันแต่ความประชุมแบบนี้ <c oughs> ประชุมไม่ค่อยยากนะประชุมไม่ค่อยยากแต่เจ็บปวดดิ้งไหมถ้าลองมองย้อนดีว่าถ้าเราจะประชุมทำทำกรรมมาเพราะว่า ทำกรรมอภิวาใช่ไหมกรรมอภิวาที่จะทําให้เกิดในอบายภูมิเนี่ยเพียงทําโทสะให้เกิดขึ้นแล้วก็มีอารมณ์อะไรเดียมีมาตุคาตีตุคาต์อรหันตาคาตโลหิตุปบาทสังกเภทเป็นอารมณ์ใช่ไหมแล้วก็มีเจตนาที่จะทํากรรมกับวัตถุลักษณะเช่นนี้ก็จะได้ถ้าประชุมบุงแต่งในเรื่องพวกนี้นะอารามนาปัจจัยก็มีพวกนี้เป็นอารมณ์ กลุ่มสาชาติสาชาตานิสยาเป็นต้นเหล่านี้นะกรรมที่กระทําตรงนั้นน่ยถ้าทำเอากุศลกรรมครบกรรมาบทแล้วก็เหมาะสมแก่กรรมอั น, นั้นเนี่ยอันนี้ก็ถ้าสําเร็จนะไอ้กลุ่มนี้ก็ลงอบายฮูดูไม่ต้องไปชมมากเท่าไหร่เลยนะแต่อย่าลืมมากกันนะคนที่จะกล้าขนาดข้าแม่ข่าพ่อได้เนี่ยหนักนะต้องต้องมีการคิดมาหลายชาติแล้วจริงไหมต้องคิดมานานแล้วถึงสามารถทําได้เขาไม่ใยพึงคิดนะ เขาสั่งสมวิธีคิดนี่มานานแล้วเริ่มต้นจากไม่ค่อยพอใจก่อนเริ่มต้นจากไม่ค่อยพอใจบ่นบ้างด่าบ้างอะไรหงุดหงิดบ้างอมันจะเริ่มไปแบบเนี้ยเคยเป็นไหมเล่าใครเคยไม่พอใจพ่อแม่มเนี่ยเนี่ยปัจจัยตัวนี้ต้องระวังเนาะเริ่มไม่พอใจเริ่มจะด่าได้แล้วนะแล้วหมดได้อย่างไม่มีแม่อีกนะไม่มีใครไม่มีใครที่โกรธละมีแต่ต้องไหวทุกวันแน่จะมาอะไ จะไม่เกิดมีแม่ใหม่เลยอไงถ้าไม่ถ้ายังหวังชื่นชมคันแนอนาคตอยู่ก็ยังเดี๋ยวก็ไปมีแม่เมื่อไม่มีแม่เดี๋ยวก็ไปปฏิบัติผิดต่อแม่เมื่อไปปฏิบัติผิดต่อแม่เชื่อไหมวันหนึ่งฆ่าแม่เดนได้ <Okay. S 1> จะไปเอาโรคภูมิแบบไม่ต้องมีพ่อมีแม่ก็ไปไม่ได้เะเหไงประชุมประชุมปัจจัยไม่พอเขาบองั้นประชุมปัจจัยไม่พอ อริยมรตมีองค์8ดเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยประชุมเยอะไหมในบรรดาสังฆาธรรมมรตมีองค์แปเป็นสังคาธรรมไหมเ ป, เป็นสังฆาธรรมนะการที่จะประชุมปัจจัยมากมายจริงๆนะกว่าจะทําอริยมรตให้เป็นไปได้นะลองคิดดูที่ว่ากว่าจะประชุมโลกุตละธรรมให้ให้เกิดพร้อมกันได้นี่นะต้องอาศัยปัจจัยค่อนข้างเยอะเหมาะแค่คนที่มีความเพียรนะจงบากบัน่นจงเพียรพยายามจงต่อสู้เนืองๆในพระพุทธศาสนา จงเจริญสมถะและวิปัสสนาต้องบากบัน่นจริงๆต้องเพียรพยายามต้องต่อสู้เนืองๆไอ้ตรงนั้นเพียรพยายามในการจะรวบรวมสังคตธรรมเพื่อจะเป็นปัจจัยหรือเป็นกองหนุนให้เกิดอาเรียมรักนั่นเองจึงเยอะใช่ไหมอันนี้ไม่ได้พูดถึงชาตินี้ทะเลิดออกอย่างชาตินะแต่ว่าหมายถึงโลกุตละธรรมก็เป็นสังคตธรรมแต่ในที่เนี้ยการเกิดขึ้นเนี่ยนะ การเกิดขึ้นการปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยในสังคตธรรมนปรากฏเกิดขึ้นพราสายธรรมชาติที่เป็นเหตุแห่งการปรากฏเกิดขึ้นนั้นชื่อว่าชาติชาตินั้นท่านแบ่งเป็นสองคือนามชาติได้แก่การเกิดขึ้นของวิบากนามขนันศีวิบากนามขันศีได้แก่อะไรอะไรคือวิบากนามขนันศีคือโลกี้ยวิบากเท่าไหรด่ดิโลกี้ยวิบากเท่าไหร่โลกี้ยวิบากเท่าไหร่ สาเท่าไรสามสเจสิกประกอบเท่าไรสามนั่นแหละเขาเรียกว่านา ม, มาชาติถ้ารู ป, ปรชาติก็ได้แก่การเกิดขึ้นของกรรมมชรูปไม่เอาอุตุชรูปจิตแต่ชรูปและอาหารชรูปนะไม่เอานะไม่เอาในขณะยืนเดินนั่งนอนไอ้ตรงนี้ไอ้จิตที่เป็นไะเหตุในการยืนเดินนั่งนอนอันนี้ไม่เอาส่วนทว่าโดยการสามหละปฏิสนธิชาต อันนี้หมายถึงการเกิดขึ้นครั้งแรกในพบใหม่ของสัตว์ทั้งหลายปฏิสนธิจิตมีเท่าไหร่สิเจตสิกสามกัมมชกราบ3กรรมชกราบ7แล้วก็กัมมชกราบ4รูปประพรมปฏิสนธิด้วยกรรมัชยาบเท่าไรสี่นะฉะนั้นกรรมชกราบ3 7 4เทวดาละ่ะกรมมชกราบเท่าไรฉะนั้นการเกิดขึ้นของ ชาติเนี่ยนะลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกปฏิสนธิชาติปฏิสนธิจิตสนะปฏิสนธิจิตสเรียกปฏิสนธิชาติส่วนอีกอย่างหนึ่งสันตติชาติคือการเกิดขึ้นสืบต่อกันของรูปธรรมนามธรรมที่เกิดต่อจากปฏิสนธิการถ้าโดยองค์ธรรมได้แก่อะไรเนี่ยสันตติชาติเนี่ยได้แก่อะไรดีได้แก่จิตเจสิกรูปทั้งหมดในประวัติการที่เกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่ขาดสายตลอดไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตเนี่ย อันนั้นเขาเรียกว่าสันตติชาติเออถ้าไปดูในคาถาที่เจอทั่วไปคือว่าความเป็นไปของขันาธาตุอายตนะเกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรสังสารวัฏเขาเรียกว่าสงสารไ อ, อ้ว่าต่สงสารนี่คือความเป็นไปของขันาธาตุอายตนะที่เกิดขึ้นสืบต่อกันโดยตลอดสายใช่มเมื่อวานพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องขัน เช่นจักขูวิญญาณเนี่ยนะดูในจักขูวิญญาณจักขูวิญญาณนั้นเป็นวิญญาณขันในนั้นมีผัสสะเจตสิกมีสัญญาเจตสิกใช่ไหมในจักขูวิญญาณน่ยก็เป็นสัญญาขันเวทนาขันอีกหดวงก็เป็นสังขารละขันใช่ไหมจักขูวิญญาณอ า, า, าศัยจักขู菩萨นั้นเป็นรูปขันลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าความเป็นไปของขันห้าในปัญจโวกะรภป ถ้าว่าโดยอายตนะรูปารมณ์ที่จักขูวิญญาณรับเป็นรูปายตนะตัวจักขูวิญญาณเป็นมนายตนะเห็นไหมและตัวเจตสิกที่ประกอบเป็นธรรมายตนะมองเห็นใช่ไหมจักขุประสา萨เป็นอะไรดีเป็นจักขายตนะความเป็นไปของขันห้าของอายตนะเห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยมันเป็นไปอย่างนี้และธาตุแหละรูปอารมณ์เป็นรูปธาตุจักขูวิญญาณเป็น จากขูญาณธาตุเจสิ่งที่ประกอบเป็นธรรมธาตุจากครูปัสสาวะจะเป็นธาตุอะไรดีเนี่ยความเป็นไปของขันธาตุอายตนะที่ไม่ขาดสายลักษณะยืนไหมว่าทุกขณะเลยอะขันธาตุอายตนะหรือความสืบต่อกันของขันเนี่ยมันไม่ขาดไม่ขาดตลอดพบหนึ่งหนึ่งเนี่ยนี่เรียกว่าสันตติตั้งแต่เกิดแล้วก็ไปตามลําดับไหมว่าขันธาตุอายตนะมันจะเกิดสืบต่อกันโดยไม่ขาดสาย เพราะความเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะใช่ไหมแล้วมีปัจจัยเกื้อหนุนอีกเยอะนี่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ขาดเป็นไงอย่า ก, กลัวว่าจะไม่ได้หายใจแต่จะไปหายใจอยู่ในพบไหนกันนั่นเอขันเนี่ยขันธาตุอายตนะนี่มันจะหมุนไปในพบไหนพอพูดถึงปฏิสนติมันก็เพียงแกลกเดียวสันตติก็ขณะเดียวใช่ไหมมันก็สืบต่อกันไปอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้บางทีไม่น่ากลัวบาปนะแต่น่ากลัวจัง เพาะมันสืบต่อแล้วมันมีความรู้สึกวลายาวนานนี่ใช่ไม่ใช่ ท, ท, ทั้งที่ว่าโอโ้โหมันแตกดับอยู่ตลอดเนี่ยแต่มีใครเห็ น, นมีใครขาดหรือว่าละกวามอุปาทานได้ไม่มีไม่ได้ละได้อย่างนั้นใช่ไหมอย่างเราเราบุรุชนทั้งหลายไม่ไละได้นี่สัน ต, ติชาติคันนิการชาติคือการเกิดขึ้นของจิตดวงหนึ่งหนึ่งและการเกิดขึ้นของรูปกราบหนึ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปชั่วขณะหนึ่งได้แก่การเกิดขึ้น ขณะหนึ่งของจิตเจตสิกและรูปทั้งหมดเนี่ยนี่คืออย่างนี้นี่คณิกะเนแต่ละขณะแต่ละขณะนี่นี่เป็นนี้ภาวะปัจจยาชาติสามภวันติการเกิดขึ้นของโลกยวยุบากเจตสิกและกา ร, รมชรื้อโรคปรากฏเกิดขึ้นพ่ออาศัยอะไรอาศัยกรรมมะภาวะเป็นเหตุภาวะที่จะเป็นปัจจัยแก่ชาตินั้นหมายเอาอะไรนะหมายเอาอะไรดีหมายเอากรร ม, มะภาวะใช่ไหมหมายเอากรร ม, มะภาวะ มายกรรมภาวะเนีเพราะการเกิดขึ้นของโลกียวิบากและกรรมชลูปนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยอะไรอาศัยอกุศลกรรมภาวะและกุศลกรรมภาวะใช่ไหมโลกียะกุศลกรรมาภาวะเท่านั้นต้องเป็นโลกียาไหมต้องเป็นโลกุยะเท่านั้นไหมโลกียาชาติที่จะเป็นผลของกรรมภาวะนั้นจึงได้แก่อะไรชาติที่เป็นผลของกรรมภาวะนี้จึงได้แก่อุปติภาวะนั่นแหละ อุปติภาวะก็คือการเกิดขึ้นของการห้า น, นั่นเองชาติในบทนี้มุ่งหมายเอาปฏิสนธิชาติเท่านั้นเ น, นี่ไหเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าอุปติภาวะนี่กล่าวกว้างรวมเลยใช่ไหมรวมทั้งพบด้วยรวมทั้งการเกิดขึ้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะนะแต่ถ้าชาติในที่นี้เอาตรงไห น, นเอาปฏิสนธิชาติเอาปฏิสนธิชาติเในหลักสูตรนี่ชาติมีหลายอย่างไหมมีหลายอย่างไหยในหลักสูตรเนี่ยในเยอะไหมเยอะเยอะ ปฏิสนธิชาติโดยกําเนิดโดยกําเนิดเนะี่ยมีอยู่สอย่างนะถ้าแยกเป็นกําเนิดเนะีาา่ยชราพุชะ ช, ชาติการเกิดขึ้นในมดลูกอะไรเจะเกิดขึ้นในมดลูกกนละุม่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะมีสัตว์อีกเยอะอันทชาชาติก็คือการเกิดขึ้นในฟองไข่เออในพูดถึงในเรื่องของไข่กระป๋อไข่ฟองไข่เนี่ยนะจะเจอในคําสอนเยอะที่พระพุทธเจ้าอยู่อุปมาเนะียเจอเยอะ บางครั้งก็จะบอกว่าไก่ไก่ที่มันอยู่ในกระเปาะไข่มันอยู่ในฟองไข่เนี่ยมันก็จะพยายามกระเสือกกระสนนั่นะที่มันจะเจาะออกมาเพื่อดูโลกกว้างใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไก่ตัวไหนเจาะไม่ได้นะตายนะทำไมตายออกประเพภทที่ข้อันธชาชาตินี่ที่เกิดในฟองไข่ก็จะเป็นอย่างไงพระเจ้าที่ก็อุปมาเลยว่าอาวิชาเนี่ยเหมือนกระเปาะฟองไข่พระพุทธเจ้านั้นเหมือนไก่เหมือนลูกไก่ที่เจาะ ถ้าดูบอกว่าไก่เนี่ยที่มันออกมาได้เนี่ยถามว่าอะไรเป็นปันใจจัยให้ออกได้แม่ไก่ใช่ไหมแม่ไก่เนี่ยอาศัยไอยอุ่นอาศัยความอบอุ่ น, นพออาศัยไอยอุ่นอาศัยความอบอุ่นนะจากอกของตนเองทำอุณหภูมินั้นให้อบอุ่นสม่าเสมอเพื่อจะทำอะไรรู้ไหมทำเปลือกไข่นั้นให้บางเพราะปกติเปลือกไข่มันหนาใช่ไหม มันจะมีเยื่อมีอะไรต่างๆเหล่านั้นเน่ยหุ้มทีนี้เวลาไปกกแล้วเนี่ยมันก็ได้เขาเรียกไข่ทําอุณหภูมิให้เหมาะสมถ้าอุณหภูมินั้นไม่เหมาะสมเปลือกไข่ก็ไม่บางแล้วก็ที่ห่อหุ้มไก่อยู่ก็ก็ไม่หลุดออกลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่าเขาพยายามทำอุณหภูมินั้นให้สมดุลเพื่อจะทําไข่นั้นให้มันมันบางส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้กระปาะไข่นั้ น, น, นเพื่อที่จะเจาะออกมาได้ง่ายส่วนนึ่ แต่ถ้าเอาไปวางไว้ที่แดดที่อะไรไงเสียหมดแล้วใช่ไหมอุณหภูมิมันไม่สมดุล <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้เลยนี่พวกกลุ่มอันตรชาชาติกวจะเกิดมาได้ยุ่งกันนั่นนี่กลุ่มที่เกิดในไข่เชื่อไหมเคยเกิดกันมาเยอะแล้วจริงจกถ้าจริงจบล่ะอาศัยยังไงก็อาศัยอุณหภูมิอย่างนี้เต่าเอยตับปลาเอ้ยพวก น, นี้นะพวกอันตรช า, ชาชาติทั้งนั้นพวกนี้ สังเสรชาชาตินี่เกิดขึ้นในที่ชุ่มชื้นที่มียางเลยนะไอ้ตรงนี้ไอ้กลุ่มพวกมแมลงทั้งหลายอะไรเงีนะที่เกิดยังเหลือเยอะนะยังเหลือเยอะอ่าง้โอปปาติกาชาตินี่ก็คือการผุดเกิดขึ้นโตทันดีนี่แล้วส่วนปฏิสนธิชาตินี้ว่าโดยขันมีสามปัญจวโอการาชาติการเกิดขึ้นของขันห้าจตัวการาชาติการเกิดขึ้นทั้งนามขันสี่แล้วเอกโวการาชาติการเกิดขึ้นของขันเดียว ชาติหรืออุปติภาวะนี่คือการเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายใน31มสภูมิมีอบรรยายศาสตร์มนุษย์เทวดาและก็พร้มเหล่านี้เมื่อเนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากกรรมปวะกรรมปวะนี่คือการกระทําทางกายกรรมวิจีกรรมและมนโนกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลกรรมได้กี่ดวงได้20มนุษย์นะพุทุชนนะอาพุทธชนนะไม่ใช่เอาพาละหัน์มาบวก สภาพละหันมาบวกด้วยอีกเท่าไหร่อีกเก้าเป็นเท่าไหร่เป็นยี่สิบเก้าใช่ไหมถ้าอย่างปุถุชนทั้งหลายได้พระเศขาบุคคลก็ก็แยกย่อยกันออกมาฉะนั้นเราจะเดินเนี่ยเราเดินได้ด้วยจิตยี่สิบดวงจะพูดก็พูดได้ด้วยจิตยี่สิบดวงนะที่ปุถุชนเราเเนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนใช่ไหมบอกว่าการก้าวไปการถอยกลับการแลกการเหลียว คเข้าเหยียดออกนุ่งหม่มถือภาชนะแล้วก็รับประทานอาหารเนี่ยกินดื่มเคี้ยวริมเนี่ยายุจร ะ, ะประสาวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งพวกเนี้ยอิริยาบถที่เป็นไปอย่างนี้ใช้จิต20สบดวงแล้วแต่ว่าท่านพุธนั้นจะชำนาญใช้จิตอะไรในการที่จะทำให้สรีล้านั้นเป็นไปเห็นไหมเราใช้จิต20ดวงเหไหเป็นกายกรรมถ้าออกมาทั้งเนี้ยบางคนก็ออกมาทั้ง ก้าวไปถอยกลับนี่เป็นกายกรรมไหมเป็นกายกรรมไหมก้าวไปถอยกลับเนี่เป็นกายกรรมโลภะเป็นตัวเป็นปัจจัยให้ก้าวไปถอยกลับก็ได้ไหมเป็นอะไรถ้าโลภะก็เป็นอกุศลกรรมมาภาวะเจตนาในโลภะเจตนาในโทสะเจตนาในโมหะหรือเจตนาในกุศลใช่ไหมอันนี้เป็นอกุศลกรรมมาภาวะหรือเป็นกุศลกรรมมาภาวะได้เลยแลเหลียวแลนี่เป็นกรรมทางไหน เป็นกายกรรมเแลตรงเนี่ยเป็นกายกรรมเนี่ยเหลยวก็เป็นกายกรรมเหลยวเนี่ยแลแหลเหลยวคู่ข้าวละเอียดออกเป็นเป็นกายกรรมเป็นไหมเนี่ยถามว่าจะเป็นบุญก็ไหนเป็นบาปก็ไหนมีผลรองรับหมดเลยนะครับน่องหอมถือภาชนะรับประทานอาหารกินดื่มเขี้ยวลิ้มไอตรงนี้สำคัญมากกินแล้วมันชอบคุยอยู่เลยนะเอยอย่างนี้จะเป็นกุศลไม่ว่ากินไปคุยไปกินไปคุยไ ป, ยไ ป, ยไ ป, ยไปเ่ โดยมากเป็นกุศลไหมไม่เป็นเลยอันนี้เป็นกายกรรมยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดพูดนี่เป็นอะไรวัจจีกรรมเป็นวจีกรรมอะไรมากกว่ากันเนี่ระหว่างวัจจีกรรมกับกายกรรมจริงๆมันก็อาจจะพอๆกันก็ได้บางคนนะแต่หไหมแต่ใช้จิตเราเนี้ยมโนกรรมนี่ใช้จิตเท่าไงเท่าไหรมโนกรรมนี่เท่าไรดี เจตเทาพวกมหาคตากุศนก็เป็นมโนกรรมมหาคตาคุศนมากเนะเนี่ยพวกนี้เป็นมโนกรรมทั้งนั้นเลยโลกุตุลุงโลกุตุร่านี่เป็นมโนกรรมแต่นในที่นี้ถ้ากรรมมรัฟวะโลกียกุศลโลกียกุศลสิบเจ็ดแล้วก็โลกียกิริยาด้วยนะเดีย๋ยวเรากิริยากิริยาจิตก็เป็นอันนั้นไม่ใช่เป็นกรรมมัฟวะนะกิริยาเนี่ยเป็นของพป้าทหารไป ถถ้าพูดในด้านของกรรมหเพราะว่าเป็นปัจจัยเกียชาตินี่ก็ต้องเว้นกิริยาจิตออกไปจึงเอา20สดวงมากล่าวใช่ไหมจึงเอายี่สดวงมากล่าวท่านในกาโมภวะแต่ท่านเอินท่านในกามภูมิหรือถ้าเกี่ยวกันในเรื่องของกามโชานะแต่ถ้าเป็นพวกมหาคตาเฉาหน้าเพิ่มเขาอีกก็เป็นโลกียะแต่ถ้าเป็นพวกมหาคตาเฉาหน้าเพิ่มเขาอีกก็เป็นโลกียะแต่การยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งอะไรต่างๆเหล่ า, านี้เป็นต้นเนี่ย ไม่เกี่ยวกับมหาคตากุศลนะอันนั้นเขาเป็นอิเดียบทตั้งมั่นอย่างเดียวใช่ไหมถ้านั่งด่ยืนยืนอย่างนี้ก็ด่นอนได้ไหมด่อีกเหมือนกันเลยสมาบัติก็ได้เอ๊ะจเดินเข้าสมาบัตนี้ไหมไม่ทําให้อิเดียบทเคลื่อนเนียนะนะอยู่ไว้จะหยุดนิ่งนิ่งเนี่ยด่ายืนนิ่งเลยด่าทำให้สมาบัตทำให้อิเดียบทตั้งมัน่น เห็นไหมว่าจริงๆล่ะกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เป็นกุศลอกุศลกรร ม, มาาวาภวานี่แหละที่เป็นปัจจัยให้เกิดล่ะเป็นปัจจัยเกิดชาติเนี่นการเกิดขึ้นของขันต์ต่างๆเหล่านี้มันมาจากกรรมเหล่านี้ถามว่าบางทีเนี่ยถ้าเราดูเกี่ยวในเรื่องของกุศลอกุศลกรรมวาิภาวานี่นะที่จะเป็นปัจจัยกรริดชาติเนี่ยถ้าเรามองบอกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องรู้ด้วยคูเข้าเหยียดออกเนี่ยคูเข้าเหยียดออกเนี่ยมันจะเป็นกรรมหนักได้ไหม ได้ไม่ได้อายกตัวยอย่างเที่พระนี่คูเหยียดออกไปทําอบัตหนักๆได้ไหมได้ไหรักของได้ใช่ไห ม, ไมหยิบโนะยงก็ได้ <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้จึงไม่มีใครเป็นผู้สร้างนอกจากกุศลกรรมอกุศลกรรมมาเพราะว่าเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสวยอย่างไงกรรมังสตเตวิภัจจิตยะติตังอินาปนิตตายะ กรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้มีสภาพเลวและประนีตใช่กรรมมะพาวะนี้จึงเป็นปัจจัยแก่อะไรเป็นปัจจัยแก่ชาติทีนี้ถ้าดูลักษณะรักษาประจวบฐานประทัดฐานของชาติใช่ตัดถาตัดาพเวปธรมาพินิพัตติมีการเกิดขึ้นครั้งแรกในภพนั้นนันอันนี้คือเป็นลักษณะมีการเกิดขึ้นครั้งแรกของขันหขันสี่ขันหนึ่งในภพนั้นๆ นี่เป็นลักษณะของชาตินนะหรือการเกิดขึ้นของอะไรโลกย่ิบาก32เจตสิากาสิแล้วก็กรรมมชรุป20การเกิดขึ้นครั้งแรกเนะี่ยอันนั้นเรียกว่าชาติภาวะปัจจยาชาติบางทีเราไปกำหนดกันก็บอกว่าชาติเนี่ยชาติปีทุขาความเกิดเป็นทุกข์นินยาตนะรสามีการเป็นไปคล้ายกับมอบขันห้า ที่มีขอบเขตของพบหนึ่ ง, หงให้เป็นให้แก่สัตว์เป็นกิจใช้คําว่าค้ายนะคายกับมอบเอา้าเนี่ยกรรมเนี่ยไอไอตัวตั ว, ต, วตัวชาติเนี่ยไอการเกิดเนี่ยบอกว่าเหมือนคนยื่นอะไรให้เราเนะบอกเอาไปรักษาไว้ยี่สิบปีสามสิปีหรือไปดูแลยี่สปีสามสิปีเหมือนกับการอย่างนั้นเหมือนกับมอบมอบขันห้าขันเศษขันหนึ่งเนี่ยให้แก่สัตริย์เหล่านั้นไว้อาการเหมือนอย่างนั้นนะ ในขอบเขตในพบหนึ่งหนึ่งใช่เช่นกรรมใช่ไหมที่สอดคล้องจะทำให้เกิดเป็นมนุษย์พอปฏิสนธิชาติเกิดปุ๊บเนี่ยมหาวิบาก8เจตสิกาสิบห้าตามด้วยกรรมไม่ชลุศสาในมนุษย์เนี่ยนะมอบปุ๊บให้เลยอนอย่าขันห้านี้ไปเดี๋ยวก็จะเจริญเติบโตในพบนี้เอาอยู่แล้ว80ดสิปีมอบให้เลยนี่พาละมอบขันห้าให้แล้วนี่เป็นภาระ เดี๋ยวขันห้ามันก็จะเจริญไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็สืบต่อเจริญเติบโตมาอย่างทุกวันเนี่ยเราแบกขันห้ากันเยอะใช่ไหมเนี่ยชาติเป็นผู้มอบให้มอบขันมอบขันเนี่ยขันนี่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์ใช่ไหมก็มอบทุกข์ให้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาใช่ไหมแล้วขันนี่มันตามมาด้วยความไม่เที่ยงใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพระเจ้าควรหรือโนาที่จะไปตามเห็นว่านั่น เรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรพระเจ้าข้าแล้วก็ว่ากันไปไอ้ <c oughs> คาว่าไม่ควรเนี่ยใครยัม่ยุ่งเนอะใช่ไหมคำว่าไม่ควรเนที่เนี่ยคล้ายกับการมอบมาอาตีตาภุอตีอติตาภวโตอิทะอ ม, มุชนะประจุประธานาแล้วก็ว่าด้วยเนะมีการผุดขึ้นในภพนี้จากภพก่อนอันนี้เป็นผลนะหรือ หรือไม่จะคําว่า ท, ทุกขาวิจิตตตาปัจจุปถานามีสภาพเต็มไปได้วยทุกนี่เป็นผลไอ้ตรงนี้มีการผุดขึ้นในภพนี้จากภพเก่ามันเหมือนกับการบอกว่าผุดขึ้นใหม่พวกเราพวกปุถุชนทั้งหลายพวกมีกิเลสทั้งหลายนี่เป็นกลุ่มฆ่าไม่ตายเนาะเนี่ยฆ่าไม่ตายเนี่ยเอาทํำยังไงก็ไม่ตายพวกเราเนี่ยเหมาะพอฆ่าตรงนี้เดี๋ยวผุดขึ้นใหม่อีกฆ่าแล้วผุดขึ้นมาใหม่ ผมน่าเหนื่อยเหมือนกันเคยตัดหญ้าไหมตัดแล้วมันก็ขึ้นตัดแล้วมันก็ขึ้นเนี่ยเหนื่อยเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเอามีดมาฆ่ามาแทงกันให้ตายเนี่ยเดี๋ยวมันผุดขึ้นใหม่แล้วแต่บาปนนเนี่ยในวัตถุเช่นนี้ใครไปเกี่ยวข้องก็ บ, บาปอีกเกี่ยวข้องดีเป็นบุญไปเกี่ยวข้องไม่ดีอ้าวเป็นบาปสิลักษณะอย่างนี้เขาบอกว่ามีสภาพเต็มไปได้ทุกข์นี่เป็นผลคําว่าสภาพที่เต็มไปได้ทุกข์นี่เราจะมองอยังไงเอาเป็นทุกข์เนี่ย มองกลุ่มว่าเป็นโรคจากขูโรโคโซตาโรคผู้เจ้าก็มาแสดงตรงนี้ไหมสภาพตรงนี้ยโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคฟันโรคอะไรต่างสารพัดเนี่ยอันนี้คือมองในกลุ่มทุกทั้งนั้นเนี่ยเป็นโรคเป็นหัวฝีถ้าเป็นหัวฝีก็เป็นทุกนะถ้ามองอย่างนี้เป็นทุกที่จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนีเป็นลูกศอนโอ้ยิงเป็นทุกยังไ ขนาดเสียบเข้าตั้งอยู่ปักอยู่หรือถอดออกจะเป็นทุกข์ลักษณะเนี้ยโอปาจิตตานามรูปปัฏฐานามีนามรูปที่เกิดเป็นครั้งแรกเป็นเหตุกล้์เอ๊ะทําไมมีนามรูปเป็นเหตุกล้เลยเนี้ยเพราะอะไรอ่ะทําไมมีนามรูปเป็นเหตุกลร์เพราะอะไรทำไมมีนามรูปเป็นเหตุกล้ลักษณะเขาบอกว่าโอปาจิตตานามรูปปัฏฐานามีนามที่เกิดขึ้น มีนามโรคที่เกิดขึ้นครั้งแรกเป็นลักษณะอย่างนี้พูดถึงเหตุสืบเนื่องพูดถึงเหตุสืบเนื่องที่จริงตรงนี้มันอย่างนี้นเขาพูดถึงในลักษณะของการผุดขึ้นการเกิดขึ้นของเขานั่นแหละเพราะว่าไอลักษณะของชาติใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าไปพูดถึงในเรื่องของกรรมที่จริงกรรมมเพราะว่าก็เป็นเหตุไม่ใช่ไม่เป็นนะแต่จะไปบอกว่าเป็นเหตุใกล้ ตัวของเขาเนี่ยการเกิดขึ้นของเขาเนี่ยเป็นเหตุไกลถ้ามองถ้ามองตรงนเนี้นะไอความเกิดขึ้นครั้งแรกของเขาเนี่ยถ้าจะไปเข้าใจดีต้องไปดูตัวไหนหรู้ไหมดูกรรมมะภาะวะเป็นปัจจัยเกีชาติเนี่ยที่ได้น่าปัจจัยสองเลยเห็นชัดถ้าตรงเนี้เห็นชัดว่ากรรมมะภาะวะไม่ได้เป็นเหตุใกล้จริงๆเพราะเขาได้อะไรได้ปะกตูวานิสยปัจจัยแล้วก็นานักณิกากรรมมะปัจจัย ถ้าหากว่าได้ใช่ถ้าเป็นปกตจุบันิสยปัจจัยอันนี้เห็นเลยใช่ไหมเห็นว่ามันแยกหน่อยอันนี้เขาหมายถึงอะไรรู้ไหมบอกว่ากรรมมะภาะวะเป็นปัจจัยช่วยประกาศละแก่ชาติเพรางั้นนะเดี๋ยวจะขยายหน่อยตรงนี้พบเป็นปัจจัยแก่ชาตินี้ประสงค์เอากรร ม, มะภาะวะอย่างเดียวเพราะกรรมมะภาะวะเท่านั้นเป็นปัจจัยแก่ชาติส่วนอุปติภาะวะหาได้เป็นปัจจัยแก่ชาติไม่ กรรมมภวะจึงเป็นปัจจัยสองอย่างดังกล่าวคือกรรมมภวะและอุปนิสยะทีนี้แต่ในมูลดีกามูลดีกาเนะท่านประสงค์เอาว่ากรรมมภวะและอุปติภวะทั้งสองโดยให้เหตุผลว่าชาตินั้นก็คือการเกิดขึ้นครั้งแรกของโลกียวิบากและกรรมชรุปอันเป็นอุปติภวะและอุปติภวะจะมีได้ก็ต้องอาศัยกรรมภวะถ้ากรรมภวะไม่มี อุปาติภาวะก็มีไม่ได้และถ้ามีอุปาติภาวะเออถ้าอุปาติภาวะไม่มีแล้วชาติก็มีไม่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นภาะวะที่จะเป็นปัจจัยแก่ชาติจึงหมายเอาทั้งกรรมมภาวะและอุปาติภาวะแต่ตามในของอัจฉริยท่านหมายเฉพาะกรมมภาวะอย่างเดียวเป็นอย่างนี้เห้เราจะเชื่ อ, อยังไง ร, <laughs> รับทั้งสองในรับทั้งสองไนไว้ การเกิดขึ้นครั้งแรกของเขาเป็นอะไรเคยสังเกตตรงนี้ัหมรูปจะเกิดเกิดด้วยอาการเท่าไหร่จะเห็นชัดรูปจะเกิดเกิดขึ้นด้วยอาการห้าอาวิชาเกิดรูปเกิดนะมะตัณหาเกิดรูปเกิดกรรมเกิดรูปเกิดอาหารเกิดรูปก็เกิดแล้วก็อะไรนิพพัติลักษณะคือลักษณะการเกิดขึ้น ไอ้ตรงนี้ไงไอ้ลักษณะของการเกิดขึ้นนี่แหละเป็นปัจจัยแก่ชาติได้จริงๆเป็นเหตุใกล้ของเขาจริงๆอาการเกิดขึ้นของเขาเนี่ยจึงเป็นปัจจัยจึงเป็นเหตุใกล้ของของนามของของของปฏรริสนธิชาติของชาตนินี่เป็นอย่างนี้นะแล้วขันห้าทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้หมดนะเช่นว่าอวิชชาเกิดเวทนาเกิดอย่างเนี้นะ ตันหาเกิดเวทนาเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดกรรมเกิดเวทนาก็เกิดแล้วอะไรอ่ะนั่นแหละนิพัติลักษณะคือลักษณะการเกิดขึ้นของของเวทนานีอันนี้ไม่เป็นเป็นเหตุของเขาหมดเลยสัญญาสังขารวิญญาณบกว่าขันห้าจะเกิดก็เกิดด้วยอาการห้าจักดับก็ดับด้วยอาการห้าเนี่ยรู้เหตุเกิดรู้ความดับของขันแต่ละขันเนี่ย ทุกขันมีการมีเหตุเกิดถ้ามีความดับ5ถ้าหากขันเหล่านี้จะดับถ้าขันเหล่านี้จะดับแหะถ้าอาวิชาดับกรรมดับตัณหาดับอาหารดับแล้วก็ลักษณะการดับไปของรูปนั้นใช่ไหมอย่างถาวรเนี่ยอันที่ก็ดับนั้นลักษณะการดับเขาเขาจะมีเหตุเกิดของเขาตามลําดับนะมีเหตุเกิดมีความดับของเขาครบ นี่นี่เป็นจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้น ะ, ะดูต่อนะดูในทางด้านของว่ากรรมมะพราะ้าวเป็นปัจจัยแก่ชาติเนี่ยถ้าหากว่ากรรมมะพราะ้าวเป็นปัจจัยแก่ชาติถ้าที่บาลนิบายตามนิยปกตูปนิสยปัจจัยถ้าปตะตูปนิสยปัจจัยก็ในฐานะในฐานะ ถ้าถ้ามองบอกว่าเออเป็นเป็นในลักษณะอย่างไรเนี่ยก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะแทนในแง่ของปัจตูปณิสยปัจัย ก, ก็ก็ต้องได้อยู่แล้วก็เหมือนกับที่เคยอธิบายไว้แต่ถ้าหากในแง่ของนานาคณิกากรรมปัจจัยเนี่ยเขาบอกว่าตัวนานาคณิกกรรมปัจจัยหมายถึงเจตนากรรมที่ไหนไหนเจตนาที่ไหนกุศลจิตสแล้วก็เจตนาที่ในโลกีะกุศล17อันนั้นเป็น ตัวปัจจัยของนานาคณิกากรรมปัจจัยอันนี้ น, น, นี้พูดในแง่ของโลกิยะที่เป็นกรรมที่เป็นกรมะนะปัจจัยกมะวะนะแต่ถ้าบอกว่าเจตานาในมรรคที่ดับไปแล้วอันนั้นกันก็เอาเองิน